หลวงของฉันในหลวงของเมื่อยสครับเรื่องขับใจของในหลวงก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านทรงเสียสละเวลาแล้วก็ทำทุอย่างเพื่อชาวไทยทุกคนอไรเงนะี้ยรก็จะได้เห็นตั้งแต่เด็กๆแต่พระาชกรณีากิจกกก ต, ตนะ่างๆอะไรเงี้ยครัดนตรีการช่วยเหลือ จังหวัดที่เปนที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเงี้ยซึ่งผมมีกรามคํานึ่งได้เขาสบอกว่าท่านกระทรงที่ไหนที่พัฒนาแนละ้วทำแลาวก็ไม่กร็เดไปทำแล้วก็กะเด็จสสแต่ที่ก็ยังไม่พัฒนาแล้วก็จะช่วยเหลือคนที่ยังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้อะไรเงี้ยครับ เชิดสิ่งโต Big a s อลดลงจากหนึ่งรู้สึกสักครับ <Number three. S 1> ขึ้นจากสี่ All Your Love Happy d h r e f e n s e No.2 <Number> ขึ้นจาก6กละเมอวานอันดอร์1 <Number one. S 2> ขึ้นจาก2ตัดสินใจเซฟแพลเนต ติดตามการรายงานชาร์จอันดับเพลงแมวทุกวันเสาร์บ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยดีเจป้หน่อยออนไลน์ทาง b u s i s c a t c o m และทางแอปพลิเคชัน c ค t Radio ทั้ง i อจูนและ Play Store โหลดเลยฟรี Cat r รด i o ในยา She'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call, but she'll just hear that phone keep on ringing. The wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, call my name out low. She'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. แคดเรดิโอเส น, เนอคนเล็กๆกับโชว์ใหญ่โตในความรู้สึกของพวกเขามาแล้วลุกขึ้นมาสวัสดีทุกๆคนพวกเราสลแลมชชีนสัสดีครับดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเล่นแคดนะครับขอเสียคนจะงลืมแฟนเก่าไม่ได้เลยนะพวกเราผลิแคดจะค่ายสโบร่ <Hey! S 1> คนเล็กๆที่บางคนบอกว่าทําเพลงไม่ตลาดก็มีตลาดของเขาที่นี่ c a t เอ็กซ์โปซ คนเล็กเพลงโตเทศการดนตรีของคนเล็กๆ ก, กับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลกบัตรเออร์ลี่แคด0บาทท้ายส1สิงหาคมถึง3กันยายนหลังจากนั้น 1,500 บาทที่ไทย i ิกัดเมเจอร์ทุกสาขา 25-26 พฤศจิกายนนี้สวนสนุก Wonder World กกผมเปอร์สวิกรมเรียนหนังสือมา9ปีจบยากยากทำไมมันจบยากจบเย็นอย่างนี้อะนี่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 30ปีห้คิวคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำโปรดเงียบและตั้งใจฟังเสียงที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้คุณคิดว่าเสียงเพลงที่คุณได้ยินไปเมื่อสักครู่ดีหรือไม่ดีอย่ารีบตัดสินเพลงว่าดีหรือไม่ดีถ้าคุณยังไม่เคยลองฟังเสียงผ่านหูฟัง Audio Technica Audio อเทกนิก้ MSR7 หูฟังที่ดัดตรีมืออาชีพเลือกใช้ให้ได้ครบทุกย่านเสียงออดิโอเทกนิก้หูฟังอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น8ปีซ้อนหูฟังที่มือโปรเลือกใช้สวีดัตสวัสดี ไ, ไลโคปีไลโคปีนหมดไปเยเฮ้ยมีประโยชน์แล้วผายสิวละ่ะผิวใสพอเออดีๆ<อ>หน่อยอให้มันน่าเชื่อถือไลโคปีนเป็นสารที่มีประโยชน์ที่สุดในมะเขือเทศช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวใสลดริ้วรอยและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปจะมีปริมาณไลโคปีนเยอมากกว่าจริงจริงซ้อนมะเขือเทศโรซ่าไลโคปีนพร้อมเติมสุขภาพดีอยากรู้เพิ่มคลิกโร s hey, like a l ไล o p e ี com เนี่อะไรเอ iento, ่ยขาดแล้วไง ขาดแล้วเง้บเลยขาดมือยัง อ, อยู่ได้แต่ถ้าขาดคนส่งไลค์กู๊ดไนอะอยู่ยากค่ะพี่ขาดแป้งหน้ามันขาดเธอก็น่าเศร้าสิครับ <Yeah. S 1> ขาดอะไรก็ขาดไปแต่อย่าขาดการเติมสุขภาพที่ดีด้วยซอสมะเขือเทศโรซาไลคโคปีนมีไลคโคปีนมากกว่าสูตรปกติ 3.5 เท่าแค่วันละ2ช้อนโตะ๊ะเติมง่ายในอาหารและเครื่องเดิมจอมเดี๋ยวค่ะพี่ขาดสโลแกนโอครับอร่อยได้ประโยชน์ด้วย CAT EXPO 4คนเล็กเพลงโตเทศ ก, ก, ก, ก, กาดลดนตรีของคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลก 25-26 พฤศจิกายนนี้สวนสนุก Wonderworld c ด t แค4ครับคนเล็กเพลงโตเทศกาลดนตรีของคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลกฮะอย่างที่ทราบการเรื่องศิลปินคนเล็กๆหลายร้อยชีวิต ก็นับร้อยๆวงที่จะมาเล่นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณก็รู้กันหมดแล้วว่าใครนะแต่ผมก็ต้องพูดซ้ำเพราะเขาบอกให้ผมพ่อ่านะครับเขามีสเตมแทสทูอาร์มชร์พรดากดสักครับโรมโซนิคฮิวโก้พีโอพีบโอเลอะอีกเพียบงานนี้ก็อย่างที่ท่ากันครับมีโชว์ให้ดูประมาณเป็น1้อยวงนะฮะแล้วก็มีเวทีให้ชมมากมาย4เวทีครับมีของมาซื้อกันได้กับศิลปินกับตลาดเพลงไทยที่ใหญ่โตสดโลกฮะ เป็นงานที่ออกงานใหม่น่าสนใจเพียบเลยติดตามกันได้ในแคดเดโอแห่งนี้นะครับงานเกิดขึ้นวันที่เสาร์และอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนนะครับที่สวนสนุกวันเดวิลราเมนทานะฮะและที่สําคัญครับประโยคต่อไปนี้ใส่ใจกันด้วยนะฮะคือตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้จนถึง3กันยายนเราจะเริ่มขายบัตรเออร์ลี่นะครับคนที่รีบไม่ทันฮะมาเออร์ี่กันได้นะครับขายแค่800บาทนะครับจากราคาเต็ม 1,500 บาทนะฮะถูกกว่ากันเกินครึ่งนะครับ ติดตาม ไ, ได้ทาง Thai ไ i ยทิ켓เมเ a อร r ทางออนไลน์ทุกช่องทาง น, นะครับและจุดจำหนายบัตรทุกสาขานะฮะขอบคุณฮะจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวครับนี่คือวันอังคารที่สิบห้าแม่นแมนแมนผมนะฮะเราเราลืมวันลืมคืนได้ยังไงวันนี้ใช่ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุมโอ้โหอีเทอม์กำลังเดือดระอุเลยฮะฝนตกฝนตกเขารู้หมดแล้วคนรู้แต่ดิจิท้าแล้วด้วยเนะฮะก็เราแมนแม่แล้วกันนะพี่บอยพี่บูมเราประกาศเลยว่าครั้งนี้นะเทปไม่ใช่ฮเป็นดิจิตอลฮะนี่บันทึกดิจิตอลก่อใส่เข้าไว้ในฮาร์ดดิสต์แล้วเดี๋ยนี้ไม่มีเทปนะฮะช่วงเวลานี้เราก็คงนอนอยู่บ้านฟังรายการของเราเองส่วนพี่บอยเนี่ยก็ อยู่ที่ไหนฮะวันอังคารวันนี้อยู่ไหนคะพี่วันนี้อ่ฮะวันนี้อยู่กรุงเทพ <c oughs> อะ <c oughs> วันนั้นนะะวันนั้นเนี่ยน่าจะเดี๋ยวนะโคเบนยังไม่ลอนดอนลอนดอนละพี่บอยไปกับใครครับพี่บอยบอกมาเลยดีกว่าไปกับผู้หญิงที่ผม ทำไมต้องอกตัวเธอเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องรื่กฎหมายทำไมเรื่องถูกกมายเขาลูกระเียเรื่องกฎหมยไอต้อึกอักนะไรแหละพี่บอยอะอะไรที่ไม่มีอะไรเพราะอึกอัปุ๊บเียอะไรเลยเาม่ได้เป็นคนืึกอพอึกอัมันค่อยๆใครก็รู้ว่าต้องไปกับลูกเมียใครวินหนึ่งสลิปเมื่อวานเสอนผมอ๋อแล้วบอกว่าให้เออให้ทาเบอร์เบอร์ไว้อย่างเงี้ยลูกเล่นอะเป็นลูกเล่นไม่มันจะได้แบบ พอพออันไหนมันมีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่ตอนนี้มันเลยมีอะไรไปหมดเลยอะดูมีอะไรทุกอย่างเอออะไรที่ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็ดูมีอะไรเสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่ความลึกลับเงี้ยเพื่อไปกับลูกกับเมียอ่ะทำลอนดอนนะฮพี่พอไปลอนดอนแล้วเชืนใจเขารู้จักลอนดอนไหมคะเคยไปยั่งอะไม่เคยอ๋อเหรอไม่เคยไปลอนดอนไม่เชื่อใจเลก็ไปเขาแต่งงานเนี่ย ตอนล้วชื่นใจยังไม่เกิดเป็นที่มาของชื่อใจเฮ้ยขอแต่งงานที่ลอนดอนใช่นี่โอ้ยแผนเขาสุดยอดแสดงว่าจะมีน้องอีกคนที่นั่นบุ๊มน้องลอนดอนน้องบิ๊กเบนไูตัวใหญ่น้องบิ๊กเบนที่เดิมเขาบิ๊กเบนกับบิ๊กบอยอ่ะเขาขอแต่งงานหน้านาฬิกาบิ๊กเบนพอละครับเป็นสัญญาณว่าตรงเวลา กูว่าเดี๋ยวถ้เราลอนดอนตุกตาเนี่ยขอเนี่อุ้ยอะไรขอน้องอุ้ยไม่เอาแล้วตุกตานี่แหละเขาจะไม่เอากูเอ้พี่พี่ไม่ได้อยากได้ตุกาเหนื่อยแล้วอุ้ยน้องโซโหเงี้ยหรอพักแถวไหนอะพักแถวไหนขอสโปบกยามไหมครัไม่จำไม่รู้เหอตายแล้วตอนนี้ไี่บอกอยู่ลอนดอนนะน่าจะอากาศเย็น พวกเราก็กรุงเทพของร้อนแล้วฝนตกใช่อมเมืม่อวานเมื่อวนัอวนศุกร์พหัดที่ผ่านมารเราได้ไปถวายบังคมพระบรมศพนะใช่ใชเราได้เป็นเจ้าภาพก็อยากจะขอมอบเพลงนี้ให้สาวคนหนึ่งครับที่ผมเจอในงานวันนั้นนะครับ <laughs> เพลงนั้นเหรชาวหวังเอวเล็กเอวบางปีไวต้องใรตลกต้องพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องใไอ้ตนะ่เ <c> น <oughs> ่อ่อตลกจริงไตลกจริงจะลอยบูมไงไอัจาลโอ้ยลอยบูมแล้วนี่กพลจาลเขาเรียกว่าผมก็ไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนอย่างนี้แต่เล่นผมอย่างี้ยอ้ยตายละหมด เราเลยได้เห็นพี่บูมไงใส่ชุดไทยเจรจาใช่ไคือพี่บูมใช่ไหมพี่บูมใช่ค่ะบูมอ่ะคือก็ใส่ชุดอย่างเงี้ยมาสองครั้งแล้วแต่รู้สึกว่าบูมไม่ได้เครียดแต่เขาเนี่ยบูมลงจากรถมาเนี่ยมาเลยเปิดประตูมีคนหัวเลาะบูมพี่มีคนหัวเลาะผมถ่ายได้ไหมฮะผมขอถ่ายฮะคือคนคนนั้นน่ะนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟค่ะ เออก็นั่งอยู่ในกลุ่มใหญ่เป็นฝูงแล้วมีพี่จ้อยพี่จ้องอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครสนใจบุมก็เดินม า, าคนหนึ่งหันควับมาแล้วลุกขึ้นยืนค่ะ พี่บูมครับอย่างนี้เลยค่ะผมขอเดาได้ไหมฮะเดาได้เลยค่ะคุณคนนี้เนี่ยนะจะเปิดร้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะเปิดร้านอยู่เจวแถวท่าพรวใช่ไหะร้านนี้ก็เป็นแบบแนวออคเอนิคคอนิคนิดนึงใช่ไหะใช่ค่ะอ๋อพี่คนนี้นี่เองพูดกับผมว่าพี่บูมครับวันนี้แหละมึงเขาไม่เคยใช้คําหยาบกับบูมลุกขึ้นมาเลยอ่ะพี่จ้อยมาว่าเนี้ยเขาดูมีความสุขมากนะว่าเดินมาแซวน่าจะทำผมมึงนี่มาอะไรกันอย่างเงี่ยบอืม เป็นไงบ้างได้ไปเท่าเอใช่ไหมเดินมาแซลตลอดเลยหลายรอบหลายรอบหลายรอบเอแต่วันนั้นดูพี่คนนี้เขาก็ร้อนนอะดูเขาแบบร้อนมากถึงกับแบบต้องพยายามหาที่นั่งหน้าพัดลมตลอดเวลาบูมบูมมีคนที่ดูดูร้อนรอนเหนื่อยเหน่อยเนี่ยสคนสองคนมีคุณแม่จุนจูนอีกคนนึงไปด้วยเมื่อวานเออแม่จูนจูนไปด้วยค่ะนี่แม่รำเพชรูจักเลยอะบูมอ่ะ ไม่ใครการแนะนําพี่เมวนผมพี่จะเสียงเสียงเสียงพี่จะมีปากมีเสียงเลยหนึ่งคือพี่เล็กกีซี่ของเราเลยแหละที่ร้อนป้าแต้วป้าแต้วป้าแต้วเราบอกคุยไม่ไหวแล้วคุไม่เหนื่อยในชีวิตเลยป้าแต้วบอกว่าป้าแต้วไม่เคยร้อนเออไม่เคยร้อนข่าดเมื่ก่อนเจ๋งว่าป้าแต้วไม่เคยร้อนผมก็คิดเลยว่าเสียงป้าแต้วหรืออะไรเงี้ยเราจะนึกภาพเป็นยุโรปอ่ะเออป้าแต้วไม่เคยร้อนอ ไม่คิดไม่คิดว่าจะอยู่ในบรรยากาศเนี้ยออแล้วก็แกก็ร้อนมากเลยจะทรมานมากนะจะต้องคอยหลบหลังพี่ตลอดใช่ใช่บอกว่าพี่ตัวใหญ่บังแดดได้แกก็จะมายืนหลบหลังแต่ป้าเต๋าก็มีความเขินนะเวลาถ่ายรูปเขาจะแอบนิดนึงใช่เพราะว่าแกก็ใส่กระโปรงยาวเหมือนคุณหญิงแอบแล้วแบบพี่เนี่ยหลบในพี่ไม่ถ่ายรูปได้แต่ป้าเต๋อดูเหมือนคุณหญิงนะอดูมีความแบบว่าพอแต่งชุดแบบนี้ปั๊บดูแบบแต่ง แต่งชุดอะไรป้าตแ ต, แต่งหน้ามาด้วยเรเห็นมีปัดขนตาไมไ่สังเกตนะแต่งหน้ามาด้วยอะไรพี่บุม้มแต่งไหมฮะ <c oughs> ไม่แต่งค่ะ <c oughs> มีแต่คนมาถามว่าเนี่แต่งชุดทําไมไม่แต่งหน้าแค่นี้ก็พอแล้วเ <c oughs> ปิ้ลหน่อยก็ต้องใส่นะ <c oughs> ใช่เปิ้ลหน่อยก็ไม่เคยเห็ น, ป น, หนงเปแต่งตัวอย่างนี้เหมือนกันนะจุนจุนก็โอ้ใส่ทุกคนแต่จุนจุนใส่ละเข้า่ใช่ไหมพบ่อยใช่ฮะขึ้นนะชุดไทยเป็นไงบ้างฮะขลองบอกพูดถึงคุณพันชาคุณวิริยยะหน่อยฮะเสียได้เนี่ยไม่ได้ สวัสดีคุณแม่เขาไม่มิ้งไทยบอกเลยอ่ะคุณแม่ผมก็ไม่สงสัยแหละฮะที่ยืนอยู่กับคุณจูนว่าจะเป็นคุณแม่อะไรก็นึกว่ามากับมาใครคะนึกว่ามากับพี่สาวโอ้จังหวะจังหวะเข้าวาเป็นเนี่ยมีบทร้อนอยู่สามคนพี่ก็ร้อนคุณแม่จูนจูนป้าแต๋วแล้วก็ ผู้ว่าสวยอีกคนนึงพี่เล็กก็บ่นร้อนอากาศร้อนนึ่งเย็นวันนั้นโอ้โหระอุมากส่วนพี่จ้อยที่อยู่เท่ากันเห็นจะบ่นเลยออืพี่จ้อยเนียนๆนั่งวัดรูปตลอดเวลาใช่พี่เล็กนี่ถอดเสื้อแล้วถอดเสื้ออีกอ่ะและนี่คือจดหมายเด็กแมวครับครับเนื่องจากวันนี้เราทําเทปนะเราบอกไปตรงไปตรงมาครับจดหมายแล้วเล็กนิดหน่อยจดจดหมายเราควรจะมาถึงเลยไม่มาถึงเราลอกตัวเองมันเนี้ยไม่รู้เพอเจดบอกว่าจดหมายจะมาวันจันทร์ออืใช่ไหมนี่มันวันศุกร์ที่เราทําเทป ที่หลังก็เขียนมาทุกวันแหละไม่ต้องรอวันลางคาหรอกครับจหมาเลยมีอยู่ประมาณเจ็ดฉบับแปดประมาณใชเจ็ดแปดฉบับนะมีซ้ําำเจ็ดฉบับแล้วมีซ้ําอีกทีเหลือก็พออ่านจบแล้วเราก็ปิดรายการเลยออืมีไหมอ่านให้หมดนะแล้วปิดรายการเดียวไหมเจ็ฉบับสองชั่วโมงเพลงภูมิภูมโทรผ่าหน้ามาให้เขียนไหมน้องตออยู่ไหนน้องตอไปเอาไปเอาเว้ยอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เราพิเศษ นี่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้คําว่าพิเศษเดี๋ยวเราอ่านจะไมใช่ป่ะหนึ่งเลให้พี่บูมเปิดเพลงให้ทุกคนนี่บูมอยากเปิดมากนะมีเพลงในใจแล้วพี่บูมอยากเปิดเพลงอะไรนะเดี๋ยวเราแต่ว่าเราพูดถึงเพลงแรกที่เราเพิ่งเปิดไปก่อนได้ไหมฮะได้ครับเพลงของเรนแชมเบลเนี่ยอ๋อพี่บูมเลือกมาเหรออ๋อผมไม่ได้ฟังเองก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละเขาพี่เลือกมาเลือกเพลงอะไรมาฮะ พี่เลือกมาพี่เบามึงจะเลิกรักทำไมบอยอันนี้เราเราเศร้าอยู่เออเราสลดอยู่เนี่ยคุณเจมส์แคมเบลล์เิ่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นคนพูดอือเป็นยอดนักร้องนะยอดนักร้องในสายเริ่มต้นในคันทรีแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลง pop น่แล้วก็โหมีเพลงดังๆมากมายเลยที่เขาแต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องในเพลงะแต่ว่า สุดยอดของเขานี่ก็คือมีการทํางานคู่กับคู่กับนักแต่งเพลงท่านหนึ่งใช่ไหมชื่อจิมมี่เว็บไอเดอร์ของผมเลยเขาก็บอกว่าคุณจิมมี่เว็บกับเกรมแคมเบลเนี่ยก็เหมือนเลนนอนแม็กคาร์ตินี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการทํางานคู่นะเบิดบัคแคลคกับเฮาเดวิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ฮะนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วก็เพิ่งเสียไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่บอยก็เลยเลือกเพลงมาเพลงหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อตอนเปิดรายการนั่นคือเพลงหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเจ็พี่เลือกมาแล้วนี่ By the time I get to o e n i x นี่เพลงดังเขานะเป็นเพลงดังของเขาเลยป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงเพลงนี้เนื้อเพลงมันน่ารักมากอ่ะแต่ว่าเป็นแต่คือเขาจงใจจะให้เศร้านะแต่ว่าเนื้อเพลงมันน่ารักอ่ะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเล่าถึงคนที่ต้องเดินทางไปใช่ไหมแล้วพอไปถึงไม่คือเขาเล่าว่าเนี่ยตอนนี้เธอคง เตื่นนะแล้วคงจะเห็นโน้ตที่ฉันฝากไว้ละอืมตอนนี้ฉันถึงฟินิกส์แล้วล่ะโน้ตที่ฉันเขียนว่าฉันจะเลิกกับเธอออืมอืมมแล้วแล้วก็ภาพได้ตัดไปท่อนต่อไปก็แบบตอนนี้เธอคงไปทํางานละอืมฉันก็จะโทรไปบอกเธอว่าในฉันเลิกกับเธอจริงๆนะอืมแล้วก็แต่เธอก็ไม่รับโทรศรัพท์อะไรเงี้ยอืมตอนนี้ฉันอยู่ที่โอกาฮาม่าละคือแบบมันมันเล่าเป็น เป็นเป็นไทม์ไลน์อะว่าระหว่างขับรถไปกับกับเหตุการณ์ในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในวันนั้นในวันนั้นอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยอะซึ่งอันนี้ก็คือจะมีเว็บแตกงเศ้านะเขาพอกับเพียงกลับมาเลยอะกันจงมันยังไงวะพ่บคิดตามคิดตามพี่บูอินอนตอนนี้พี่บูอินเก็กเพลงกลับมาใช่ไหมเพราะพี่บอยเพิ่งทวิตเพลงกลับมาไปหลายรอบเ่ มันเพลงกลับมาเพิ่งได้รางวาัลว่าวันนี้เพลงกลับมาก็กลับมาไงกลับมาเ <laughs> พลงกลับมาก็ได้กลับมาใช่ไหมก็ <ś les> คุณเอ๊ะจิรกร <ś les> ใช่ไหม <ś les> ที่นัมมาร้องในมาซิงเกอร์ พี่บอยโพสต์บุ้มก็เลยถามว่าบุ้มอยากเล่าเรื่องเนี้ยตอนที่พี่บอยอคิดถึงเพลงเนี้ยอืพี่บอยมันเตะอุ้มทำไมอะไรของนี้ยไม่บุ้มก็ถามไปว่าวันนั้นนะพี่บอยแต่งเพลงพอาๆอย่างเงี้ยออกมาได้ไงมันแปลกมากเลยนะคือบุ้มไปเที่ยวผับเงี้ยบุมยังได้ยินเพลงเนี้ยเขาร้องอยู่เลยอ่ะใช่ใช่วันก่อนก็ได้ยินเดินตามห้างเงี้ยก็หน้ากอีกาดำไงอือแล้วขอบคุณพี่เอเขาด้วยนะเขาร้องวันไหนอ่ะเขาร้องไปแล้วที่แล้วอ๋อ บุ้มได้ยินมาโดยตลอดนะคือมันเพลงนี้มันอีกกระดุมันปีที่แล้วด้วยพี่บุ้มเออเราบุ้มไม่รู้นี่มันเพิ่งจบนะ่ซิงเกอร์ซีซั่นสองไปไม่รู้แต่ดังมากคือคุณอีกคุณเอกเขาร้องเพลงพี่บอยออืแล้วก็ทํำให้ได้ราวันเพลงอะไรเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมอืมของมายาอวอร์ดอะไรเงี้ยครับฟังไหมเฮ้ยเปิดเลยไหมเปิดเลยอให้พี่บุ้มเปิดให้ค่ะหนเพลงใช่ค่ะมากลับมาไม่ต้องอ่าน มไม่ได้ค่อยอ่านไงฉั่รางจริงหรอไม <ๆ S 2> แล น, อนแล้อยเราต้องทวงเวลาฮะ ความรู de de ้ส <c oughs> ึกของสามผู้โชคดีที่ได้โกเจแปนไปกับเราจริงด้วยห้ยใจผมแรงแรงประมาณ EDM อ่ะบพูดอะไรไปมั้งก็ไม่รู้ดีใจค่ะลุ้นอยู่กินไปอีกนี่มันตื่นเต้นเย็นเลยเนี้ย เที่ยวที่บลิสตูดิโอโทโตโร่โฟอรสซ์ปันด้าคอลเลคชันฮอลสโนวีมิเซียมปั่นจักรยานชมทุ่งดอกไม้ที่ฮิตาชิสีสายปา่าชมวิวโตเกียวที่โตเกียวทาวเวอร์ชอปปิงที่ชิบุยาได้กันเยอรมัแช่ออนเซ็นริมทะเลดูดนตรีสดสุดมันที่ชิมโมกิตาสาวะและครั้งหนึ่งในชีวิตกับการดูเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่อย่างซั m เมอร์ซน2017ออกเดินทาง17 ส, สิงหาคมนี้เริ่มเริ่มปันด้าพร c a t นต์แ o ทรา a ิโ สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ HONDA ให้ All New Honda Scoopy ไใหม่ร่วมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย a i r a s ช a x สวัสดีครับผมเล็กฮิวโกผมจะเล่ารายละเอียดงานซิ n ค์ p o r ์เปอเรช e ่นพรีเซฮิวโกภาษาแม่คอนเสิร์ตนะครับคุณอาจจะแปลกใจกับว่าทำไมชื่อภาษาแม่เพราะว่าแม่ผมเป็นคนไทยพ่อผมเป็นฝรั่ง คอนเสิร์ตนี้จะเล่นเพลงไทยล้วนๆนะครับจัดขึ้นวันที่15กันยาปีนี้นะครับที่ไบเทคบางนาพ .107 บัตรราคา 1,000-1,500-2,000 บาทซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเจ็ทเมเจอร์นะครับมาให้ได้นะครับสนับสนุนโดย Sing o r p o r a t i o n หิวหิวหิวจนตาลายไส้กิว่วมือนิ้วสั่นท้องร้องลั่นหน้ามืดเวร์ดโซเซอดแก๊สมดก็เพาะโมงใจวิวหน้าเยกเกน้ำย่อยเทพรวดราดกระจัดกระจายอดร้านข้าวปิด หิวเบอร์ไหนไม่มีอดถ้ามีโรซาพร้อมอาหารพร้อมทานไม่ต้องแช่แข็งไม่ใส่วัตถุ ก, กันเสียอร่อยเน้นเนื้อเน้นๆทั้งซุปโจ๊กเส้นกับข้าวโรซาพร้อมแค่ฉีกซองมื้อไหนๆ ไ, ไม่มีพลาดจดหมายเด็กแมวนั่นคือเพลงกลับมานะฮะซึ่งเวอร์ชัน เวอร์ชั่นไหนฮะที่เปิดไปเปิดไปครับเวอร์ชั่น2 Days Go h i t e ทีซึ่งเป็นออริจินอลค่ะที่บอลมีอะยรจะพูดถึงเพลงนี้เนี่ยหมายฮะสำหรับแฟนแฟนหลายหลายคนที่ก็ชื่นชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นรักทำไมพี่เพลงตัวเองวันนี้ทำไมเปเลิกรักนี้วัฒเพลงตัวเองแต่งตัวเองร้องแล้วทำไมเลิกรักอะไรจะกล่าวอะไรหน่อยไหมแบบที่เอออาจจะเป็นแง่มุมที่แบบ ใครไม่เคยรู้อะไรเงี้ยเปิดเผยณวันที่แต่งนั่งอยู่ที่ไหนเออจำได้ไหมจำได้เออนี่ไม่เคยรู้เหมือนกันเเนี้ยแต่งที่บ้านอดุลเป็นไม่ใช่บ้านด้วยเป็นเหมือนกับตึกแถวเป็นเออเป็นตึกใกล้ๆบ้านมันแล้วก็เป็นชั้นสองที่ไม่มีคนใช้อะหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีคนรับใช้นะหมายถึงว่าไม่มีคนใช้งานกำลังอินน มีคนใช้งานก็ตอนแรกล้างเหรอใช่ติดล้างก็เลยขอดุลว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเอามาทําเป็นสเตชั่นมาทํางานเป็นไว้ทํางานกันอะไรเงี้ยพ่อก็มาติดแอร์ให้มาอะไรเงี้เลยนะอืก็มันนั้งทํางานชอบชอบแล้วก็จะมาได้ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเขาก็ทํางานกันอยู่ข้างล่างอะเนี้ยแล้วแต่งเพลงนี้แล้วก็ทำเพลงนี้อดุลก็ช่วยอัดกีตาร์คือ ปากสอนตัวแรกที่เขียนบนเพลงอ่ะคือคำว่าเพิ่งจะรู้เลยไหมคะหรือว่าเป็นคําไหนไอ้บุมอยากรู้พี่บอลเริ่มถากปากกลุมแล้ว <laughs> <laughs> จังหวะมันถากปากกลุมแล้วเองน่นะนมันจะอีกนิดนึงมันก็เราก็เดินลงไปเองหรือไอันนี้ส <laughs> <laughs> ละเอแน่นอนอ่ะเพิ่งหรอไม่ใช่เพึ่งนะเว้เพิ่งเพิ่งเ พ, พิ่งจะรู้ <laughs> มันมาเลยใช่ไหมพี่บอยเคยเล่า ว, ว่าทําเพลงไหนที่รู้สึกว่ามัน มันเจ๋งเนี่ยมันจะมาพร้อมกันทั้งทำนองและเนเลยใช่ไหมใช่เพลงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคือมัมนทํามาเลยเป็นเนื้อมาเลยใช่ไหมอันนี้ก็แปลกดีนะเหมือนอยู่ๆมันก็ปุ๊บๆเข้ามาได้เป็นเพลงเลยเพลงนี้แล้วเพลงเนี้ยจําได้ว่าพอตอนเสร็จละเอาไปให้พี่บอยช่วยฟังบอยโก้พี่บอยโก้พี่บอยจะแก้เต็มเลยครับผมรีบหนีกลับบ้านก่อนเกือบต้องแก้แล้วแก้ไปอะไรตรงกลับมานี่แก่ไหม แกตอนฮุกอะไรเงี้ยทอนฮุกนี่แก้ไปอะไรครับว่ากลับมาไม่แกจะแก้อแต่ยังไม่ได้แก้ก็เลยดึงกลับมาก่อนเลยเดี๋ยวมาครับพี่กลับบ้านเลยยมอยากรู้อะไรอีกไหมฮะเจ้าของเพลงเนี้ยเอยู่เมืองไทยไหมคะตอนนั้นเจ้าของเพลงนี้ก็คือพี่บอยไงฮะพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงพี่เลเจ้าของเพลงนี้คือคุณตายคุณรักนะฮต้องตอบดีๆต้องตอบดีๆ อ็ตอบดีๆเพลงนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องมาด้านแล้วไม่มีอะไรก็เพลงนี้ก็คือแต่งให้คนแฟนเก่านั่นแหละแล้วว่าตลกลงที่บ่อยอะไะครับอ่านจดหมายเหนื่อยผ่านมาโอ้โหครึ่งรายการแล้วนะฮะชั่วโมงแรกเราทวงเวลาได้สุดยอดจริงๆฮะขออภัยด้วยจดหมายฉบับแรกนะครับไม่บอกที่อยู่นะฮะส่งมา ประทับตาประสิทธิ์อย่าราดเผาวนะฮะสวัสดีครับพี่คมสันพี่บอยพี่จ่องพี่เล็กพี่เจดพี่กิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขาดบูมวั้ายวั้ายไม่มีบูมตอนอ่านนี่รู้สึกเลยว่ามีใครสักคนที่หลุดไปแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าใครมึงนี่เองด้วยอ่านอีกครั้งคมสันพี่บอยพี่จ่องพี่เล็กพี่เจดพี่กิ่งผมชื่อโปครับโปลืมบูมนะจํำไว้โอ้ ฟังรายการตอบจดหมายของพี่ๆมานานแต่ผมคิดว่าเราได้จะมีจริงกไอ้เขาเรียกอะไรนะหวายเหรอแบบเออหวายอ่ะได้อัดไว้เลยไหมมาหลังทำมาดิให้เชื่นใจมาทํำไหมหวายหวายผมชื่อโปครับฟังรายการตอบจดหมายของพี่ๆมาก็นานแต่ก็เพิ่งจะได้เริกเขียนมาหานี่แหละครับฉบับแรกเี่เกินให้ฟังก่อนสักเล็กน้อยว่าผมมีงานอดิเรก กึ่งอาชีพคือนักเขียนเรื่องราวชีวิตช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เรียนจบก็ทำงานในกองถ่ายบ้างพี่จองสวัสดีครับก็จิเด็กยี่สินาทีับไหนเสริมล้วตรงนี้เฮ้ยไปอหรีบไอหนุ่ยรีบไอหนุ่ยรีบไอหนุ่ยรีบไอหนุ่ยรีบมันมาลอกแต่ส0บโมงก็ต้องไปหาลูกค้าเพิ่งได้เริ่มก็จิคาลันติโน ให้ยืมมือถือก็เขียวให้ยืมมือถือเอามือถือมาธาตุหินกับดาร์กโอหตัวนี้พลังเยอะหน่อยสามศพนะถึง3ามในสามัช่ครบจีไงเมันช่วยกันจัดรีดนี่มันยู่งอะไรรีซอสน้อยด้วยออซอสน้อยหรอล่างการพวกไรสารละใช่มีไรสารละไปต้องนกาแล้วคุณภาพเลยผมเก่งเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้ตอบอะไรักฉบับนึงอะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะต่อเิดหมมีสยาบาเหรอเจ็ป เกินให้ฟังก่อนสักเล็กน้อยว่าผมมีงา น, นเดเรกึ่งอาชีพคือนักเขียนเรื่องราวชีวิตช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เรียนจบก็ทํางานในกองถ่ายบ้างออฟฟิศบ้างแล้วแต่งานและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่เริ่มจู่โจมความรู้สึกของผมมันเริ่มจากวันนั้นผมนัดกับเพื่อนสมัยมปลายไปกินไปดื่มที่ร้านอาหารย่านทาวอินทาวคุยเออต่ตตาฟิสเหล่าอบอร่อยไม่บอกเขาไม่บอกให้ไหนเมงี่บุอบอดอง พัฒนากหลวงนี่นั้นยางนั้นยังเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงไม่เป็นสมัยก่อนที่ว่าเนี่ยเขาใช้ว่าสมัยก่อนใช่บอกว่าไปกับเพื่อนมอปลายคันเลิฟบาร์เขาใช้คำว่าวันนั้นไปกินไปดื่มเหรอพี่ก็ดื่มไงเมงบุรีร่องบ้าเลิฟบาร์อ่า อันี้เปล่าพัฒนาหลวงโตโตัเลบาเด็กวรุนคุณเขาจะไปกินพันาหลวงทาไมพันาหลวงโตโตมีงูเห่ามีอ๋อที่เขามาจับที่เขาจับไปอาทิตก่อนเด็กวรุนเด็กวรุนอันนี้เขาอาจจะอยากบมรุงพลังอ๋อเด็กไวรุนได้ผมวใช่แล้วล่ะอ่ะเลื่อนเอาพรนาหลวงโตโตเออแต่พัฒหลวงโตโตแน่ๆสงสัยมาน่มั่นใจเลยเวลาผ่านเคยเคยสงสัยมาว่าพัฒนาหลวงมันข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะจะไปข้างในเด็กไวรุน่นงเนี้ยหรอไม่รู้ลยแต่ผมเพิ่งจับไปอัลเลอร์บาเขได้จังยอม อตลบอืมยอมไปท้งานแล้วนะผมนัดกับเพื่อนสมัยมปลายไปกินไปดื่มที่ร้านอาหารย่านทาวินทาวอ๋อนัดเพื่อนมอปลายอืม นพี่ผมยอมพี่อีกทีหนึ่งโตโตเนี่ยเพราะนัดนมอปลายไม่ได้แปลว่ากินตอนมอปลายอ๋อกินเิไอผมฝั่งเพียงคุณนึกว่าไปชงเรียนอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่สมัยสมัยมอปลายยังรุ่นไหนตอนนั้เพื่อนมอปลายเราไม่ต้องถต่งช่วงเรียนบ่อยรู้ใช่ไหมเนี่ยช่วงรียนแบบนี้ผมนัดกับเพื่อนสมัยมอปลายไปกินไปดื่มที่ร้านอาหารย่านทาวินทาว นานเพื่อนเจอกันทีก็ย่อมต้องมีเรื่องคุยเป็นธรรมดาโอ้ยถ้าอย่างงี้พี่ว่าเคาร์ลบาเพราะนานเจอเพื่อนก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเจอกันบ่อยๆเนี่ยน่าหลวงโตโตนี่คนเต็มดวงเลยมาสุดท้ายแล้วยังมาสุด้ากันนะที่ว่าถ้านานเจอกันทีมันต้องนั่งสบายๆหน่อยไม่ได้มันไม่ได้ไปนั่งกินงูเห่ากินเต่ากินอะไรเงี้ยใส่คาร์ลบาพี่คาร์ลบาต่อในคาร์ลบา นานๆเพื่อนเจอกันทีก็ย่อมต้องมีเราจะไม่แวะวแล้วนะแล้มีไงนี่ไงรู้ทันนะเขาเลยเราจะไม่แวะแล้วนะจอมโอเคโอเคครับป่อยแล้วนะเออนี่มึงอ่านได้5บรรทัดอ่ะ <laughs> ครับคับ <c oughs> นานๆเพื่อนเจอกันทีก็ย่อมต้องมีเรื่องคุยเป็นธรรมดาหัวข้อสนทนาวันนั้นมีหลากหลายเรื่องแต่สุดท้ายมันมาจบลงเรื่องความโสดของผมอุ้ยก่อนจะแยกย้ายกันคืนนั้นเพื่อนบอกว่ามีน้องคนหนึ่งนิสัยน่าจะเข้ากับผมได้ พลางแตกแล้วคืนนี้ไม่ทวิตเลยไม่มีทวิตเลยเงียบเหรอดูเงียบเงียบเขาไปดูเฟลเฟลนี่ยกดลีโหลดแล้วไม่ใส่มันมีละครอะไรหรือเปล่าเรื่องทวิตมันหรือถือว่าทช่วงนี้แม่มาสยามมยาอ๋อรูได้ไงวันจันทร์มาสยามีละครเรื่องเนี้ยหรอใครเล่น มุกมิกรู้จักมุกมิกป้ะไม่รู้ใครวทพี่พี่ไปรู้จักมุกมิกเดี๋ยวนี้มุกมิกอ่ะมุกมิกมาสยาอ์ดลูกชายใครเล่นสามูชายใครไม่รู้ันแค่มุกมิกคอับพี่ไม่เคยเปิดทีวีดูละครเลยเดี๋ยวนี้ก่อนจะแยกย้ายกันคืนนั้นเพื่อนบอกว่ามีน้องคนหนึ่งนี้ใส่น่าจะเข้ากับผมได้พลางก็เปิด a ฟ e b o o k โชว์รูปน้องคนนั้นครั้งแรกที่เห็นผม ครั้งแรกที่เห็นผมว่าเธอคนน that, ั้นก็น่าสนใจดีนอกจากหน้าตาที่น่ารักแล้วงานในเดลเหลกกิจกรรมที่เธอชอบทํามันดันเป็นกิจกรรมทุกอย่างที่ผมทําประจําด้วยเช่นไปวิ่งที่เดียวกันไปงานงานเดียวกันเช็คอินสถานที <c oughs> <c oughs> ่เด really, ิมๆซ้ Away, ําๆแล้วมีทวิตอ่ะพาโทษฮะโทษพี่มีทวิตมาฮะแต่หน้าแปลกที่ผมไม่เคยเจอกับเธอเลยผมชอบคาแรคเตอร์เธอมาก ชอบจนคิดว่าอยากจะเอาคาแรคเตอร์แบบนี้มาใส่หนังสั้นหรือเรื่องสั้นอะไรทั้งสักอย่างที่ผมกำลังเขียนเพื่อนทิ้งประโยคสุดท้ายกับผมไว้ว่าเดี๋ยวกรูเดี๋ยวกูเกินให้แล้วมึงแอดเฟรนไปนะตอนนี้ผ่านมา 7-8 เดือนได้แล้วทุกอย่างยังนิ่งสงบต้นไม้ที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เจริญงอกงามตามที่แอบหวังไว้ครับผมพยายามแอดเฟรนเฟซบ o ๊เธอพยายามฟอลโล่ไและทวิต t ตอหรือแม้กระทั่งแอดไลน์ไป แต่ทุกการตอบกลับมานั้นจุดุจุจุดจุดว่างเปล่าสิ่งเดียวที่จเจริญเติบโตก็คือเรื่องสั้นที่ผมแอบเอาเธอมาใช้เป็นตัวละครหลักสรภาพตามตรงว่าปัจจุบันนี้ผมเลิกอยากจะรู้จักเธอแล้วครับเพราะการรู้จักกันในโลกความจริงมันไม่มีอะไรกับผมแล้วผมกลับชอบตัวเธอในจินตนาการที่ผมแอบเอามาใส่ในเรื่องสั้นของผมมากกว่าตรงนี้ผมเลยอยากจะถามพี่ๆครับการที่ผมหยิบยืมคาแรคเตอร์ ของคนที่เราไม่รู้จักมาเติมแต่งใส่ลงไปในนิยายนิทานเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งหนังสั้นมันเรียกว่าเป็นความผิดไหมครับและผมควรจะบอกเจ้าตัวเขาไหมครับถ้าบอกผมควรจะบอกอย่างไรดีครับตอนนี้ผมกำลังคิดว่าในเมื่อเธอไม่รับสื่ออออนไลน์อะไรของผมเลยผมจะเขียนจดหมายพร้อมแนบซองขอบคุณอ๋อพร้อมแนบของขอบคุณอะไรสักอย่าง เขียนเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามความเป็นจริงส่งไฟเสนีหาเธอที่บ้านครับวงเล็บเพื่อนผมมีที่อยู่ของเธอและผมก็ได้มาแล้วพี่ว่าถ้าผมขอบคุณเธอด้วยวิธีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆก็ไม่ได้ถนัดงานเขียนขนาดนั้นปกติเวลาที่ผมเขียนอะไรสักอย่างผมใช้เวลานานทีเดียวแต่จดหมายฉบับนี้ผมเขียนขึ้นมาด่วนๆไม่ได้ตรวจทานอะไรมากนักขออภัยถ้าผมพิมพ์ตกพิมพ์ผิดนะครับ วันนี้คงขอรบกวนพี่เท่านี้ขอบคุณสําหรับคําตอบและคําแนะนําครับโป้มีคําถามด้วยหรอมีฮ<ม><ม>ะถ้าผมหยิบยืมคาแรคเตอร์ของคนที่เราไม่รู้จักมาเติมแต่งใส่ลงไปนิยายนิทานเรื่องสั้นหรือหนังสั้นมันเรียกว่าเป็นความผิดไหมครับไม่เป็นและผมควรจะบอกเจ้าตัวเขาไหมครับไม่จําเป็นถ้าบอกผมควรจะบอกอย่างไรดีครับก็มันไม่จําเป็นอื ม, อม ทีนี้พอถ้าอยากบอกนี่ก็แล้วแต่แล้วเนาะเขาพูดเรื่องจำไม่จําเป็นไงแต่ว่าคุณกําลังหาเรื่องข้ออ้างอะไรก็ตามในการไปหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะถ้าเป็นบุมอะเขียนนคืออาจจะเขียนไปแล้วเขาไม่ได้อ่านแลราก็เลยอยากจะบอกเขาหรืออะไรก็มารือเขาไม่รู้ตัวหรืออะไรออยากแยกการคุยกับเขาหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นบุ๋มเลยนะถ้าเป็นบุ๋มกัว สมมติว่าอยู่ดีมีคนเขียนเขียนจดหมายมาที่บ้านอ oh, บอกมีที่อยู่เธอแล้วเมื่อกี้เนี่ยคนเขียนมาบอกว่าเนี่ยเราได้เอาเราเป็นตัวละครสวัสดีครับคุณอาจจะไม่รู้จักผมอมคุณบูมครับสวัสดีครับคุณอาจจะไม่รู้จักผมแต่ว่าผมเนี่ยมีความจำเป็นต้องบอกคุณบารประกาลนะครับอืเนื่องจากผมเนี่ยได้ใช้คาแรคเตอร์คุณไปอยู่ในหนังสัน้นของผ ม, มไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนะี่ย เอาคุณบูมอย่ากังวลครับมันไม่ใช่หนังแบบนั้นครับมันเป็นหนังสั้นที่ใช้ดูทั่วไปได้แล้วถ้าผมจะทําหนังแบบนั้นผมไม่ได้ถึงคุณบูมแน่นอนไม่ต้องกังวลครับแล้วแต่เนี่ยผมได้แนบไฟล์คลิปมาแล้วนะครับเพื่อนๆคุณบูมดูได้ครับเพราะว่าหนึ่งรู้ที่อยู่มาได้ยังไงมันคือเรื่องส่วนตัวอ๋อผมผมเป็นเพื่อนของอมราพอนะครับออไม่ได้เป็นหลานผมให้มาให้มาเห็นรูปคุณผมขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนในการนี่คือหนังหรือ หนังหรือนังสือทั้งทั้งหมดอะทุกสื่ออะทั้งเรื่องสั้นทั้งหนังสั้นทั้งนิยายนิทานว่าบอกแบบนี้ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นทีล่คนนะอันนี้ก็คือที่ว่าจะขอบคุณโดยการเขียนเล่าเรื่องราวส่งของขวัญไปให้นี่ก็ก็มีความเสี่ยงใช่ไหมถ้าเป็นพี่บุมท้าไม่รู้จักกันเนาะอันนี้ผมเล่าเรื่องนี้แล้วกันคือผมเคยมีเพื่อนเป็นนักเขียน แล้วเขาก็เขียนเรื่องสั้นขึ้นมาพี่ชาติไม่ใช่ไม่ใช่นั่ไม่เปี้ยแล้วฮะนั่นเพื่อกูตอมุตะกัดไปฮะไม่พี่ชาติไม่ใช่มูลเะครมิรู้จักเพื่อนเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาแล้วก็สมมุติตัวละครนะเป็นนางแบบอะไรเงี้ยแล้วนันไปชื่อตรงกับของจริงแล้วเขาก็ไม่รู้จักคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าแต่บังเอิญจริงๆรบังเอิญจริงๆจริงเลยฮะแต่ว่าที่สมมุติเนี่ยคือเพื่อนตัวเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่ตัวเองว่าเพื่อนเอเพอวันจบกระจบพี่พี่ยักษ์เรียกตัวเองว่า เฮ้เพื่อนอันนี้ไกเอออันนี้ไก่เป็นตัวพี่เลยใช่มโอ้โงงอยู่ตั้งนานเพื่อนคือพี่เพื่อนจริงๆเพื่อนจริงงั้เพื่อนเหตุเรื่องสั้นขึ้นมาแล้วก็นังแบบใช่โดนอะไรไม่โดนเนาะเขาตกใจนางแบบตกใจหรือเขาตกใจเพื่อนตกใจพี่หรือเพื่อนหรือนางแบบเอาตรงลงพี่เป็นใครพี่ไม่ใช่นางแบบหรอกพี่ไม่ใช่นางแบบแน่แน่พี่ไม่ใช่เพื่อนพี่ไมใช่เพื่อนพี่เป็นพี่พี่ไม่ใช่เพื่อนพี่เป็นพี่พี่เป็นคนฟังพี่เป็นคนฟังเรื่องคนตกใจคืออืมคนตกใจคือนางแบบ ตั้งแบบตกใจออตกใจ เ, ออเขาอ่านเจอแล้วเขาตกใจว่าเฮ้ยทําไมเขียนเรื่องเราอะไรเงี้ย อ, อืแล้วเรื่องแล้วเรื่องก็ตรงด้วยเออมันจะมีแบบมุมอะไรบางอย่างมันเป็นความเหงาของคนอะไรอย่างนี้แล้วนั่งแบบออไปไปรู้จากได้ยังไงหมือนว่าไปรู้เขาไปอ่านเจ อ, อเข อ, อ, เ, อ, อเขายัางตกใจเลยขนาดว่า อ, อ ทำไมเ ข, เขตกใจวะ่ะเขาต้องคิดว่าเป็นเขาแน่มากกว่าเขาแปลกใ ช, ใช่เขาก็ตกใจว่าแปลกใจว่ามาเขียนเรื่องเขาได้ยังไงอะไรไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงอ อ, อแต่จริงๆก็มาเคลียร์กันแล้วว่าอ๋อไม่ใช่เป็นคนเขียนนะดีนะได้เคลียร์ด้วยอืมคันทีก็ได้รู้จักจริงเลยจริงจริงเนาะคือได้เคลียร์กันแบบว่าเขียนเรื่องพี่จองลงหนังสืออะไรนู่นนี่นั้นบูไม่เคยขอเลยไม่ต้องเคลียร์ด้วยพูดถึงเรื่องนี้แล้วที่จองจะเขียนนะขอหรือยัง ไม่ขอต้องขอด้วยเหรอไม่ต้องรู้จักใครนี่ตอนพี่บูมเป็นตัวละครในอมราพรนั้นไม่มันไม่เคยขออะไรโตควายนั้นได้ม่ไคยเลยค่ะไม่เคยขอเลยค่ะถ้าเราจะเมาวคนเราต้องขอก่อนด้วยเหรอพี่อืมจะไหมก็เขาจะต้องเขียนไงว่าแบบขออะไรครับขอจะนินทาคุณเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่มีตัวละครจริง ไม่ไม่มีไม่มีสัตว์ตายไม่มีสัตว์ทรมานพี่บอยจะเขียนเพลงถึงใครพี่บอยขอเขาก่อนปะไม่เคยเลยครับก็นั่นไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะผมว่าเวลาเขียนไปถึงยิ้มได้มีพี่รู้อีกแล้วอ่ะมันเป็นฟิกชั่นไงใช่มันเป็นเรื่องแต่งไงความสนุกมันน่าจะอยู่ตรงที่ว่าอ่านแล้วมันจริงหรือเปล่านะนี่คือฟิกชั่นบอกไปเลยออแล้วก็ตัวละครที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันยังไงยังไงมันก็เป็นความคิดของเราอ่ะมันไม่ มันอาจจะมีตัวอย่างมาจากตรงนั้นนะแต่พอมันออกมาจากตัวเราแล้วมันก็จะไม่ใช่ตัวเขาร้อยเปเซ็นต์หรอกดีออกอถ้าเกิดใครคิดว่าเป็นตัวเขาแต่จริงแล้วแม่งไม่ใช่ทั้งเรื่องไม่ดีทเรื่องไม่ดีถือเกิด<แ>ไปเอาไปทําแปลกๆอย่างใช่ไห ม, มสมมติเราแบบว่ า, าเจ็ดเนี้ยเขียนถึงใหม่ดาวิกาไงนะโอ้ยเขียนไงจอมเขียนแบบว่านางเอกเขาฟังอยู่นะเขาฟังอยู่นะเจ็ดเคยทัช่องเจ็ดออกมาไปเล่นหนังอะไรเงี้ยือเต้นถ้า เต้นท่าพืชน้าอย่างนี้ไม่เรียกวรนเลยจะโดนฟ้องนี้ถ้ามาทางนี้ไม่ใช่ถ้ามาทนี้ไม่ใ่วันะะอถ้ามีท่าเต้นอะไรก็ไม่ใช่วรณกำเราต้องเคลียร์กันนครับไม่สรจมัน้งีเส้นอยู่ว่าตรงแบบไหนเรียกว่าวรนละกำอะเดี๋ยวว่ายาวอีกตรงนี้มันแบบต้องมาเคลียร์กันะมัแบบเขียนเรื่องหนูอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้ชีวิตหนูได้ยังไงที่โทรไปเลยง่ายกว่ามือตะเขียนไม่ถึงใช่ะเออ ไม่เป็นผมผมไม่บอกนะเนอไม่บอกไม่บอกใครเราไม่บอกคนเียวเขาเรียกว่าพี่คำสรรใช้คำว่าเป็นการเข้ารหัสของผู้แต่งออที่รู้รู้บางทีมันก็เข้ารหัสไปเอวอ่ะ e n c r y p t i o ปุ่มจะได้ยินคําว่าเข้ารหัสครั้งแรกเนี่ยจากพี่บอยออืืมพี่บอยก็จะมาบอกว่าเนี่ยแต่งเพลงที่แต่งมันมีรหัสนี่อะไรอย่างนี้พี่บอกพี่บอยพี่บอยเคยมาถามไม่ต้องบอยเนี่ยบอยไตเนี่ยนะผู้แต่งรู้อาจจะเป็นคนรู้คนเดียวไง คนอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้ออืว่าแต่งถึงใครอะไรเงี้ยใช่ออเพราะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นคนคนนั้นคนเดียวไงนึกออกปะมันบอกว่ามันอาจจะมีตัวเอ้าเหมายนว่าตัวละครมาถึงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องรักใช่ไหมเวลาผมพูดเรื่องเจตคือเจตคนเดียวพี่ไม่มีอื่นไม่สมมติว่ามันไม่ใช่เป็นต้องเป็นเรื่องรักไง ว่าเราเราแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวละครตัวนึงมันอาจจะมาจากหลายๆอันกันพี่อาจจะใส่ผสมจริงๆอาจจะมีรหัสให้คนหลายคนนึกถึงอย่างพี่ชาติก็เคยเล่าว่าเรื่องพันุ์้เรื่องคำพิพากษาพี่ชาติากับพี่ตีจริงๆเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยเรื่องของฟักที่เป็นพันโรงเนี่ยก็มาจากหลายคนรวมกันตรงนี้มาจากคนนั้นตรงนี้มาจากคนนี้ตรงนี้ไปแล้วก็กลายเป็นชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นมาเลอมันก็เป็นจินตนาการของเราในการที่จะสร้างตัวละครไงมันเป็นเช่นนั้นอืสมุปว่าไม่บอก ไม่แนะนําให้บอกไม่ไม่จําจำเป็นอบอกผมว่ามันมันผมไม่รู้แต่ผมฟังพี่อ่านแล้วผมคิดอีกเรื่องนึงผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะสิทธิ์เอสิทธิลิขสิทธิ์หรือเอามารยาทหรือจรรยาบรรณของการเขียนอะไรเลยผมรู้สึกไ ม, ม่ใช่เรื่องนั้นนะครับนี่คือขออ้างอยากจะส่งให้เขาอ่านอะไรนะอยากอยาก นะคือสิ่งที่ทำอะไรมากกว่าแบบไปขอแอดเฟซบุ๊กอ่ะอออออะไรอย่างงั้นอ่ะไม่ถ้ารู้จักกันแล้วแล้วค่อยบอกได้ไหมยป็นเพื่อนกันว่าอย่างเงี้ยได้คือเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรคือถ้าเพื่อคิดไม่ดีอยู่แล้วพี่เอไม่ถือแล้วหรือเปล่าแต่แต่รู้จักกันไปแล้วไงแล้วค่อยทํามันดูแบบไม่ได้ไม่ได้หวังมากกว่าป่ะอาจจะหวังก็ได้แต่ว่าเป็นเิงหวังอยู่ดีเลยเอาเป็นว่าที่ดีที่สุดอ่ะก็คือให้เขาอ่านเจอเองแล้วเขา มาถามเราอ่ะไม่อืิงอันนั้นพี่ว่าเหมาะถ้าจะแบบถ้าจะเกิดอันนี้พี่ยังอยู่ในแบบว่าอยู่ในไมซ์เซตนอยู่ไงว่าการที่เอาเรื่องเขาไปเขียนคนขออนุญาตเขาไหมพี่ไปยึดตัวหนังสือน้องเกินไปออืผมได้เห็นระหว่างบรรทัดอืว่าข้ออ้างอะไรอ่ะหรือมันเป็นงานศิลปะออืการเขียนถึงใครคนนึงเป็นสิ่งสวยงามไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่เออมันกว้างไปไม่จริงเอ่ยไม่จริงบางทีมันก็เขียน ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้สวยงามอะเืมเม้าเขาคงไม่อยากเขารู้หรอกบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยออว่าป<ช>ุ้งเม้าพี่ในหนังสือเนี่ยเป็ดที่บินเก่งกว่านกอะปุก็อยากให้พี่อา่าน แต่กโดยเฉพาะงานเขียนชุดใหม่ของจ่องที่ทุกคนกาลังจดจ่อรอคอยอยู่เนี่น่ะอันเนี้แหละอืมผมไม่ได้เมาใครนะผมแค่เล่าเรื่องเอาจริงผมไม่มีเจตนาจะมาด่าใครหรว่ะกลัวเลยอ่ะพี่เขียนอะไรเนี่ยพี่เขียนอะไรกลัวเลยอ่ะต้อนฉบับไงนี่ยายอะนี่ยายตามนั้นนะครับพอยังไม่จบเลยอ่ะ จบฉบับแรกแล้วเดี๋ยวให้พี่บูมเปิดเพลงให้สำหรับจดหมายฉบับนี้นะได้คะ่ะอ่าโอเคปะ ว่าเฝ้าดูอยู่นานแล้ว t ๋อเธอที่ทำ a t ้ฉันต้อง จดหมายเด็กแมวในหลวงของฉันในหลวงของเป้อารักษ์ก่อนที่ท่านจะสวรรคตนี่ผมมีโอกาสได้ รับรู้ถึงโครงการหลายอยางที่ท่านทําไว้นะครับเป็นโครงการที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนหนึ่งคนทําอะไรดีขนาดนี้นะครับมากมายมหาศาลมากๆแล้วก็มีโอกาสไปสัมผัสกับสิ่งที่ตัเองได้ไปเจอเช่นโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนหรือโครงการช้างหกมันที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับคือถ้าไม่มีท่านประชาชนในถิ่นที่เรียกวัฒนธรรมดานเนี่ยเกิดจะไม่มีโอกาสได้รู้จักกับความเจริญมากเท่าตอนนี้ที่ใดที่ใดหลวงเสด็จไปจะมีความเจริญเข้าไปมีถนนคนทางมีการมีอยู่ที่ดี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 สเสนอคนเล็กๆกับโชว์ใหญ่โตในความรู้สึกของพวกเขามาแล้วลุกขึ้นมาสวัสดีทุกๆคนพวกเราสแลนแมชชีนสวัสดีครับดีใจมากนะครับพี่ได้กลับมาเล่นแคทนะครับเพรเสียคนจะหลืดแฟนเก่าไม่ได้เลยเราคนเราคนเล่นแคทจะใช่สโลงเฮ่คนเล็กๆที่บางคนบอกว่าทําเพลงไม่ตลาดก็มีตลาดของเขาที่นี่แคทเอ็กซ์โปซีคนเล็กเพลงโต เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลกบัตรเออร์ลีค800บาทท้าย3สิงหาคมถึง3กันยายนหลังจากนั้น 1,500 บาทที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา 25-26 พฤศจิกายนนี้สวนสนุกวันเดอร์เวิลบลึมบลึมฮอนด้าพรีเซ h ต์แ a ทราจ o โอ Japan จซองสนับสนุนโดย รถจักรยายนยนต์ h o น d a Honda s c ส o p y i ใหม่เพราะครั้งแรกมีความหมายเสมอและสายการบินไทย a i r a s i a ชก็อีกนี่วันไหนนะ่ะวันนี้วันอังคารใช่ไหมอีก2วันนี้ไปกันแล้วนะฮะสลหรับ Honda Presents Cat r a d ด o Go Japan 2นะครับทริปติดปีกพาผู้โชคดี3คนไปกับเรานะฮะไปกับใครบ้างไปกับคมสารดีเจกันและดีเจไมเคิลฮะ2คนนี้จะไปถ่ายรูปให้เราตลอดทิปเลยนะฮะ ไปไหนกันบ้างผมม่อยากจะบอกให้คุณอิจฉาแะครับแต่คงต้องพูดซ้ำนะครับเช่นเราไป g b บิสตูริโนะฮะไป t ต t o r o Forest นะครับไป Honda Collection Hall นะฮะไปสนุกกับ s n o o ปี Museum ไปปั่จักรยานกันเล่นที่ถ้าฝนไม่ตกนะฮะก็จะไปปจักรยานกันนะครับที่ทุ่งดอกไม้ฮิตาชิซีไซเปาส์ไปโตเกียวทาววอร์ไปชิบุยะไปเดคานามะและไปดูนุติสดไลฟ์าวี่ชิโมกิตะซวนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการไปแช่ออนเซ็นที่ริมทะเลนะฮะมีทะเลให้ดูนะครับสำคัญ เทศ ก, กาล Summer ร o n i c นะครับที่งานนี้เราชาวแคทไปพร้อมกันโหโรวม20ชีวิตได้นะฮะหน้าอิจฉาคนที่ไปและหน้าจะได้แทนคนที่ไม่ได้ไปจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda ที่ให้อ l l n e w Honda s ส o o p y i ใหม่ร่วมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการ บ, บินไทย a i r ์ช X ครับขอบคุณครับเริมเ่มฮอนด้าพร c h a ต์รัจย์ย์โอ้โสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda าให้อ l l น e w Honda s c สก p y I ไใหม่ร่วมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย a i r a เช a x จดหมายเด็กแมวการแสดงอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้นมช่วยเปิดไหม่แล้วครับจอมเปิดใหม่แล้วครับนมในที่นี้คือเปิดใหม่แล้วครับจอมนนท์ชื่อนนนอนนอนนอนนอนฉลาเกมโกงตกใจหมดต้องใช้นมต้องใช้นมช่วยนมเรื่อยการใี่สองไปเห็นมุมน้องนนทจากไหนฮะโหมันเห็นจากเฟซบุ๊กของพี่คนหนึ่งพูดชื่อไม่ได้ครับแล้วฮะแล้วก็คงอ่านนด้ทั้งหมด ขํามๆเหมกันเลยนะดูว่ยได้ข่าวว่าลรําสั่นเหรอฮะพี่จ่องรัมมากนะฮะร่มของซิกแพคชัดแล้วก็ของนมนมใหญ่มากครับอนมน้องนนกับนมพี่วายพี่ว่าใข่ใหญ่กว่ากันนนกะอุ่ยนี่คือจดหมายเด็กมาชั่วโมงที่สองนะครับส่วนนี้คือมุกมิกอือดามุกดามุกมิกนี่คือไข่นะคะพี่มุกกับมิก มิกีมีคนเดียวหรือสคนนั่นผมจองมิกได้คือจองมิกได้ไม่น่าทับลายไดมอนมิกนี่คือพระเอกอ๋อหรือพระชื่อมุกมิกทองรรยาพี่บอยใหรดูก็ได้นี่ก็ลําสันเหมือนกันอันนี้ยนมมิกไม่ไงไม่ไม่เอาวันนี้นี่งั้นมุกนะมุกเอ๋อที่จองบอกมุกมิกนี่คือชื่อสองคนที่ชื่อคนเดียวมุกมิกเขาเป็นพี่น้องกันนะครับพี่ เขาเป็นนางเอกคู่พระนางไงเขาเลียกเรีกมุกมิกมุกมิกสยามสยานางเอกชื่อมุกพระเอกชื่อมิกแต่พี่บอยจองมิกอันนี้เคลียร์นะอันนี้เฮเคีย์เลยนะจะได้ไม่แย้งไงมุกมุกบอยเอามิกไปมุกมุกไม่เป็นไรมุกแป๊กตลอดไงอ๋อชั่วโมงสองเริ่มจดหมายกันเลยครับพี่บอยค่ะผมเองฮะนี่ไม่ต้องใส่หูฟังนะจะใส่ก็ได้นะวละ ออกไหมไม่ต้องคราบไม่เป็นะไรครับวันที่หกเดือนแปดสี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีส่งความรู้สึกผ่านทางคีย์บอร์ดนี่เราไมไ่เห็นค um ีย์บอร์ดนายนแว่นเก้าูนคีย์บอร์ดเนี่ยฮะบอร์ดนายแว่นเก้าศูนย์คิดคนดีคนเดิมครับผมคนนี้เมื mm ่อทิ้งแล้วก็มาคุณคุนคุณคุนนายแว่นเก้าูนเนี่ยใช่อ่า เรื่องไรวเื่อ้นี้ก็เรื่องของเก้าศูนย์แหละมีตู้จูงมือกลับบ้านที่บูมบอกว่าถ้าหลอกถ้าหลอกให้คิดเราผมก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยหลอกที่เคยจูงที่บูมเคยจูงเนี่ยออืแปลว่าไม่ไม่จําเป็นสำหรับบูมสวัสดีท่านหัวหน้าพี่ยักษ์พี่คมสัน พ่อน้องชื่นสวัสดีจ้าถ้าเหมือนมาเทียบกันไงเหมือนแบบเวลางสองนี่พี่จองมาดูรูปหญิงในเวลางานอ่ะหญิงอะไรพูดที่รู้เรื่องกันไงพวกมุกมิกอะไรไงที่ดูมายี่สิบนาทีแล้วเนี่ยสวัสดีท่านหนวหน้าสวัสดีจ้าพี่ยักษ์พี่คมสาลสวัสดีครับเฮ้ยพี่ยักษ์คมสันสวัสดีครับพ่อน้องชื่นใจพี่เล็กขอจมอ พี่บูมพี่กิ่งพี่เจดและชาวจมดมทุกๆุกท่านจ้าความเดินตอนที่แล้วเดิมเขาเขียเนเงี้ยอืเหตุเกิดตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นม .4 ตอนที่ได้กลับบ้านกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเรียนอยู่ห้องเดียวกับผมตอนอนุบาลแล้วบังเอิญได้มาเจอกันอีกอีกที่ในตอนมอปลายเริ่มต่อเลยนะครับอือ๋อจําได้ละ จดหมายก็ได้ละอืมที่บอกว่าไปเจอผู้หญิง้ราบอกเราเคยเยยรียนรู้กันด้วยกันอออให้ยู่ดีก็จบนั่นนะแ่ะเขาตอบักคสองทุกๆวันผมจะกลับประมาณห้าหกโมงเพราะต้องเล่นฟุตบอลก่อนกลับบ้านแต่พอมีเธอกลับด้วยผมก็จะได้กลับบ้านใบขึ้นอืมผมกลับบ้านประมาณไม่เกินสี่โมงเราก็จะเล่าเรื่องที่ได้ทําหรือได้เรียนในวันนี้ ถึงแม้ว่าเราจะเรียนห้องเดียวกันแต่ตอนแค่นี้เดียวจําได้เลยนะเรื่องเงี้ยอจําได้ เ, เดินกลับบ้านเหรอไม่ครับเตะบอลตอนเย็นเนี่ยแล้วเพื่อนร่วมทีมมันจะหายไปแบบ อ, อ, อยู่ดินก็ไม่มาเนี่ยอืมันไปส่งหญิงเขาต้องมีภารกิจเป็นร่วมทีมหรือตัว พี่เราเองก็บ้างเนาะแม่ไม่เพื่อนร่มทเหมือนคล้เพื่อนนักเขียนพี่เมื่อกี้เลยคล้ายเพื่อนนักเขียนชิโมงที่แล้วเลยอันนี้เพื่อนั้งบอลเนี่ยฮะเราก็บอกสตีคือศัตรูจริงๆนะฮะคือแบบว่าตใหม่เรียนใช่ไมเออคือทาให้กิจกรรมเตะบอลกินเหล้าอะไรมัพังหมดเลยสตีคือศัตรูสนุก็นนครับครับไม่ได้พูดตั้ไว้โทษนแล้วก็รอว่าจะจบอย่างไงจริงๆก็ได้ครับ คุ้มไหมหาเจอไหมคุ้มไหมฮะผมต้องหาอย่างเงี้ยค่อยๆแต่นะอยากกลับไปทำอะไรใหม่หมดเลยตอเรียนทําได้นะที่ไม่มีใครรู้หรอกอืมกลับไปเรียนใหม่กลับไปยังไงอะเริ่มได้เรียนโอมันถึงมีหนังประเภทนี้ไงยใช่คนเลกนักเรียนโตอย่างเงี้ยมันถึงมีหนังแบบนี้เพราะมันมีคนคิดอย่างเงี้ยใช่กลับไปเป็นนักเรียนจอแทุกอย่างมูเองยังไงอะกลับไปยังไงแต่ถ้าจะกลับไปเนี่ยจะกลับไปสวนกุหลาบหรือโรงเรียนทารดีเรียนบดินหม ปูว่าไม่ควรกับสนกุหลาบพี่กุหลาบพอแล้วพอแล้วเนาะเคยเรียนแล้วพี่ว่าบดินอะไรอย่างงี้ดีกว่านะนัราชาดนะนี่คือโรงเรียนแรกของผมบดินในชาเหรอครูครูที่สอนพิเศษตอนประหกซื้อใบสมัครสอบให้อือยากให้เรียนที่นี่มากเพราะเขาเป็นครูที่บดินแต่ไม่เอาว่ามันมีผู้หญิง พี่กลับไปเรียนมาแตเลยหมมีหน้ามแต่ขอตเร่ตตรงนั้นเลยได้มมีหน้าเมื่อกี้พูดเรื่องนนเรื่ตรงนั้นเลยได้หมพูดเรื่องน้องนนเริ่มด้วยน้องนนแล้วพยากเอามิกมากบเกลือเอ้ยมุกมกมากบเกลือนมาแตเลยดีกว่าตเนี้ยตรงมีคนหมวครูก็น่ารักพี่ไปสมัครเรียนเลยเนียเเนียเผลอๆก็ได้ ตอบปากตบคำนิดนึงใช่ผมก็ชอบแต่เนี่ยชอบไหมชอบอใส่วิกนิดนึงคงไม่ใครรู้แล้วพี่ยากอยู่เซนโยเราได้ดักตกเอาพี่ยิงไม่ได้บอกว่าจะกลับปอ๋ อ, อ, อแต่พี่อยากถ้าถ้าพี่กลับไปเรียนโรงเรียนพี่อยากไปเรียนพวกมาิโ ด, นะดนอะพวกโรงเรียนดนตรีอ๋อเนื้่เ้หนงโเรียนวิทยาศาสตร์ไมไม่ไม่ไม่อาเรียนดนตรีแต่วิทยาศาสตร์ก็น่าเรียนเออม่ินดนดูร้านอะไรชื่ออะไรอะอะไรโรงเรีย น, น, นเฉลี่ยนะเพือนกับโชเลสังทุก อุ้ยอาจารย์โทรเลขลหรผมขอสกิปได้ไหมอาคารยีมอ่ะต่ออะมันกลับมาหน้าเนี้ยไม่รู้อะอืออย่างนี้หาเจอนี่มันบางพี่ไงจะดูอะไรจะดูอะไรนะคนคนที่ถือจดหมายเนี่ยต้องโฮรายการอ๋อโทษโทษโทษอะไรนะพี่ถึงไหน่ะดูอ ทุกๆวันอืมผมจะกลับบ้านประมาณห้าหกโมงเพราะต้องเล่นฟุตซอลก่อนกลับบ้านแต่พ อ, อฟุตซอลแต่พอมีเธอกลับด้วยผมก็จะได้กลับบ้านไวขึ้นผมกลับประมาณไม่เกินสี่โมงเราก็จะเล่าเรื่องที่ได้ทําอุ้ยอันเป็แล้วเนี่ยว่ะไม่เป็นไรอ่านจำได้ถึงแม้ว่าวันนี้เอ้ถึงแม้ว่าเราจะเรียนห้องเดียวกันแต่ผมกับเธอไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะผมจะ นั่งริมประตูห้องตามภาษาส่วนเธอจะนั่งกับแก๊งสาวของเธอเรื่องมันเกิดขึ้นตอนเปิดเท อ, oh อมม .5 ตอนนั้นเราทั้งสองต่างมีความรู้สึกเหมือนว่าเธอจะเริ่มชอบกันมากขึ้นหลังจากที่เราเดินกลับบ้านด้วยกันเหมือนว่าเหมือนว่าเพราะพอขึ้นม .5 oh อาทิตย์แรกเธอก็ไม่กลับกับผม<ะ>แต่ต้องรอให้ผมชวนในอาทิตย์ต่อมา นี่กลับไปกันเป็นปีเลยเหรออือไ้ทุกวันเลยก็อยู่บ้านที่บ้านสอยเดียวกันอือเพื่อนสอดเดียวกันพี่อะไรเมืนเคยกลับเ้วยกันเลยถ้าทางเธอดูเปลี่ยนไปจากตอนม .4 ผมเห็นเธอติดพวงกุญแจเป็นรูปการ์ตูนผู้ชายใส่แว่นไอ้แว่นโค่นวะโค่นันหรือเปล่าแขงขึ้นมาแข็งโค่นันไอ้ตี่ใส่แว่น มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเธอมาถามเราว่าเรามีแฟนหรือยังเป็นแฟนกับพอเหรอตอนนั้นผมก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันในตอนนั้นความรู้สึกผมด้วยความที่เราเป็นเพื่อนห้องเดียวกันผมเลยไม่อยากจะคิดไปไกลามากกว่านั้นอืมเพราะกลัวยังไม่พร้อมอ <laughs> <laughs> กลัวว่าจะโดนเพื่อนล้อซะมากกว่าผมยังไม่พร้อมใช้คำนี้ในมอ .5 กันเลยนะไม่ใช่ต้องโ ฟ, ฟโกัสเรื่องเรียนะใช่ก็ ถ, ถูกแล้วนะ <laughs> ใครมาถามผมต้องทำผมไม่พร้อมดูดิคนเราเขาเขายังชอบเล่นตัวเฮ้ยกูอะไรอ่ะดูดิคนเราดูดิคนเราคนเขายังคนเขาชอบยังเล่นตัวอ๋อคนเขาชอบอย่ังชอบอืมพออเงพูดถึงตัวเองว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้เฮ้ออีกอย่างผมก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อน หลังจากนั้นผมก็ตีตัวออกห่างจากเธ อ, อ, อ, อ, อเอ้โหเจ๋งๆงเ๋งชอบชออย่างนี้แหละไม่ได้กลองมาแบบเนี้ยดูดูตัวอย่างไว้ตั ว, <อ>ตวมาแบบเนี้ยโดนร้องก็เลยตีตัวออกห่างแต่ก็ชอบเขาชอบไงเด็กก็ดนร้องไงนี่ผู้หญิงทุกคนคิดอย่างนั้นนะไม่เคยมีแฟนคืกมาตัดห่วงยางเอ๊ะไม่ใช่ห่วงยางห่วงยางไม่พี่อะไรนะสายโดดยางหลังยางไงนั่นแหละสุก ชื่ออะไรนะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะน้อยหน่าเออจะพูดสุกัดโทกหลายเรื่องเลยเลยงงปฏิทินยอนจริงอะหลังจากนั้นผมก็ตีตัวห่างจากเธอไม่ได้กลับด้วยกันเอ้าต่อมาเธอก็ไปมีแฟนเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเป็นไงล่ะแฟนเป็นรุ่นน้องเออหยามอ่ะ ผมก็ได้กลับบ้านกับเธออีกครั้งเพราะว่าแฟนของเธอบ้านอยู่โคราชังกันอืแล้วผมก็รู้สึกปลอดภัยที่เห็นเธอมีแฟนอืเธอก็มักจะปรึกษาผมเสมอๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับนิสัยผู้ชายอื <p> เพื่อที่จะเอาไปใช้กับแฟนของเธออสุดท้ายก่อนจะจบมหกต่างคน ต, งต่างก็ต้องขึ้นเรียนมหาลายัยผมก็เพิ่งคิดได้ว่าถ้าเราเป็นแฟนกับพอตั้งแต่แรกจะเป็นยังไงอื แต่เราก็เจอกันบ้างนะครับหลังจากนั้นวันไหนที่ผมอยากเห็นหน้าเธอผมก็จะชวนเธอมากินร้านชาแถวบ้านเพราะบ้านผมกับบ้านเธออยู่ใกล้กันโดยใช้เหตุผลต่างๆนา น, นานในการชวนมันเป็นอย่างนี้แค่ช่วงปีหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันอีกเลยได้แต่ดูเธอผ่านทาง Facebook เลียกสครนะับได้แต่ดูเธอผ่านทาง Facebook เท่านั้น ตอนนี้ผมก็ใกล้จะเรียนจบแล้วผมได้ข่าวว่าเธอกำลังจะย้ายบ้านทุกวันนี้ตอนที่เดินผ่านซอยบ้านเธอทำให้ผมนึกถึงความรู้สึกตอนเดินกลับบ้านเธอตอนเรียนมปลายอีกครั้ง<ฮ>เรื่องทั้งหมดก็เป็นเพียงย้อนความรู้สึกที่มีต่อเธอแค่นั้นเองครับพี่ๆเคยมีคนที่ชอบเคยจะย้ายบ้านไหมครับแล้วพี่ๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างเพราะสมัยพี่ๆนี้ สมัยเลยครับสมัยพี่ๆนี้คงจะติดต่อกันลำบากแน่ๆเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเฟซบุ๊กพี่ๆมีวิธีการยังไงบ้างครับในการสืบหาคนที่เราชอบตอบทุกคนสมัยก่อนสมัยก่อนอ๋อตอบทุกคนห้ามทำไก่เอาให้จบเลยนะอีกสีบ่บรรทัดเองเดี๋ยวเอาไวฉ้ฉบับหน้าผมจะเขียนเรื่องม้วนวิดีโอสมัยวัยเด็กของผมมาให้อ่านนะครับอรอ่านพิมพ์เป็นนานๆก็ยิ่งคิดถึงเน่อรอสอง เขียนผิดพลาดอะไรขอโทษด้วยครับขอเพลงเมื่อเธอได้ส่งเมื่อเธอได้มาส่งโพลิแคทด้วยนะครับเมื่อเธอมาส่งเมื่อเธอเหรอชื่อเพลงเมื่อเธอมาส่งโพลิแคจนกว่าจะพบกันพอทำไมตอนนั้นเราไม่ชอบแกตั้งแต่แรกนะ <S <S <S ชอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละจงังหวะชอบแต่ว่าอ <ainen> <ม>ีกแบบจากนายแว่น90 Kids เอ็กซ์สืบหาบ้านยังไงฮะสมัยเรียน เรื่องนี้ยากเพราะว่าเกิดมาไม่เคยมีโชคดีแบบมีเกิร์เน็กซ์ดออะไรเลยบ้านบ้านใกล้กันสมัยตอนเรียนประถมก็เป็นแบบคุณคุณอาที่เป็นเล่นเป็นจมูกมดอ่ะเล่นเป็นแม่มดในหุ่นไลก์กาอบัวเล่นคือเล็กซ์ดอเป็นคุณอาด้านคุณอาแม่มดเป็นคนเขียนการ์ตูนนะที่นร่ดึนดึกก็จะชอบ ไอ้เอยเอวเอน่ะอาบน้ำเขมนิดนึงมัวๆอย่างี้ไม่แก่ผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงอคุณอาจริงคุณอาจริงก็เลยแบบเลยไม่มีเรื่องสาวข้างบ้านแน่นอนไม่มีอะเพราะผมแต่ผมมีเกินเน็กซอยนะเกินเน็กซอย อมคนที่เคยเล่าว่าไปต้องไปรอขึ้นรถเมล์ทุกวันอะไรเงี้ยผมไม่เคยไปเกินซอยบ้านกลัวหมาซอยอื่นเสมอแล้วก็ขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านก็แบบแค่นั้นก็ฮิวแล้วอะยกล้อโชว์ยกล้อจ้ำจ้ำแล้วก็เบรกกันต่ายอ๋อจับเบรกกระตายโชว์กุเทพของยกล้อเยอะนะเขาก็ไม่เห็นหรอกแต่ก็ขี่ผ่านเฉยเอะไรแค่นี้แต่ไม่แต่ไม่เคยแบบว่าถ้าชอบแล้วก็ตายไปถึงบ้านอะไรเงี้ยถ้าแบบ ไม่เคยเหรเฮ้ยเคยเหมือนแค่หวาสมุดหน้าเหลืองเคยไหมไม่เคยเคยยังไม่เแอบเดินตามอ่ะไม่ไม่ก็เขียนจดหมายไปจนแบบก็รู้ว่าบ้านที่อยู่มันอยู่ไหนแล้วแล้ววันนึงก็เอ้เดี๋ยวเราไปหานะอแล้วพี่ดูที่อยู่ได้ไงก็ให้กันไงนั้งนานแล้วขอขอให้กันนานแล้วถ้าผู้หญิงให้ที่อยู่ก็มีใจแล้วอืมอืมเขาจะให้ที่อยู่ก็แปกหน้าได้ไงให้ที่อยู่ไว้เสียขินจดหมายเงินเขาให้ขิงไวนจดหมายก็มีใจโอโหคิดในแบบนี้ว่าบูมเออให้ที่อยู่ให้กันโม่โม่ ที่อยู่นะที่อยู่เขียนจดหมายไงมันก็สมัยก่อนไงเรบอกเลยตอนนี้ว่าเนี่ยไม่บอกตอนทั้งสาสปีที่แล้วอ่ะไมด้รูจ้จดหมายนั้นยังอยู่หรือเปล่าแม่ทิ้งไปหมดเลยเราซาเก็บไว้เป็นแบบโหเป็นกล่องแบบโหแม่ทิ้งหมดเลยแม่ไม่แคร์แ่แม่เพิ่งทิ้งไม่นานาด้วยสองปีแล้วเนี่ยแต่พี่ก็เคยมีจดหมายอย่างเงี้ยแพี่ไม่เคยไปดูบ้านเขาไก่น่ยมันอยู่นนบุรีอะไรเงี้ยนประเด็นของคือตรงนี้เลยเจดหมายอายุสาปีมันอยู่เดมาเล่าเรื่องตัวเองแดีเหมือนกันคืนเนี้ย คนเนี้เจอตอนเรียนอุอเรียนพิเศษตอนป .6 คือแม่เห็นเราว่างกดข้อมาหนึ่งเลยอะเอออะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบว่าพาไปเรียนพิเศษแถวราดพาสวรรค์สองแต่แกไม่รักดีใช่ไหมจ๋องแกไปขอที่อยู่ผู้หญิงไม่ใช่แม่ไม่ได้พูดเรื่องนี้พอไปเรียนมาก็สนิทกันกับเพื่อนในห้องซึ่งเราก็สนิทกับเพื่อนผู้หญิงหลายคนไงเออคนนี้ก็แบบว่าจะอยากเรียนบดินเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากสอบเข้าบดินองไรก แล้วก็เขียนจดหมายคุยกันพอเรียนแบบเดียนพิเศษจบ ก, ก็เขียนจดหมายคุยกันอืเขียนอยู่กี่ปีไม่รู้อะเขียนอยู่ว่าสามปีอะต้องโยนเลยทำไมบูมโยนโทรศัพท์พี่จ่อง เ, า<ก>เราเรื่องอะไ ร, อรขอโทษพี่ขอโทษทําไมเราดูมันแค้นอะไรขึ้นมาแล้วโยนพี่เราเรื่องบูมพี่เราเรื่องอดีตบูมันพี่เราเรื่องอดีตไม่มันผ่านไปแล้วโยนโทรศัพท์ทิ้งเนี่ยตอนนั้นพี่อยู่ปอหเองบูมยาอะไรกับพี่ไม่อยากฝักอดีตของพี่เออเหรอ พมอยากรู้ว่าดีของพี่ม <c oughs> ไม่เอาเลยบูมีขอโทษทไม่ได้ทำร้ายใครนะใ <c oughs> ห้มันเสียงดังใกล้ไ ม, ม้ภูมิไรยนออืแล้วแล้วก็จนแบบเปล่ากได้นีิพอตอนแล้มันก็เป็นเพื่อนเพื่อนเนี่เราเขียน <c oughs> ไปเขียนมามันก็รู้สึกอีกมันก็มีอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอมมอพอมันเขียนกันอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆลึกซึ้งเออเขียนไปเขียนมาเขียนนะเนอเขีนไปเขียนมาเขียนไปเขียนมาจนเอ๊ะ อ๋ oh, เหมือนกับที่เรา <Het ket S 1> รู้สึกผูกพันกับคนที่เขียนมารายการเราใช่ไหมฮะตอนน้องนี้ตอนนี้โอ้โหโอก็มันมันต้องกี่ปีอ่ะสามปีได้ไหมก็เลยแบบสนใจว่าเอ้ยนี่หนึ่ง้องไปหาที่บ้านอย่างเงี้ยมึงบ้านอยู่อ๋อเหมือนที่คนฟังชอบแอบเอาจนแม่มาส่งที่ออฟฟิศเนี่ยโอ้ยอยากไม่เห็นบ้านอย่างเงี้ยหรอได้พอไปเจอที่บ้านแล้วอันนี้โลกเปี่ยน คือมันมันไม่เหมือนจหมาเนี่ยที่คนฟังมาเห็นแล้วฟินเราไไงเออเหมือนทุกอย่างเลยว่ะมันจริงไมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ในจินตนาการเออมันจริงหมมั้งกายเป็นคนจริงๆใช่มเออแล้วจากนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยมันจะจืดจเอย่างเงี้ยเหรอเฟเเรา้องาลเขาฮะนี่ไงมันโกรธจ๋องไอ้บูมอ่ะ ไม่วันนั้นเขาก็พูดเรื่องเขามีแฟนอด้วยนะอ๋อเหรอก็ดีแล้วละีมันก็เล่าไปตรงนี้ก่อนไม่เดี๋ยวประเด็นเาตรงว่าเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วมาสปีก็ไม่เห็นเคยพูดว่ามีแฟนี่อกป่าไม่ยอมเปิดเผยตรงก็มีแฟนมีแล้วเลยฟไม่ใช่ขอาอ่เข้าใจแล้วประเด็นประเด็นมันินน้ว่าจริงกัจริงอะไรกันประเด็นประเด็นมันจริงไปด้วย ไม่ไม่มากกว่าด้วยอืประเด็นว่าจริงไปมันมากกว่าเพราะวันนั้นเราก็ไม่ได้ชอบเขาแบบอะไร อ, อย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคือไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบหรือเปล่าใช้คำไหนดีก ว, ว่าแต่มันอะไรสักอย่างแต่เหมือนเอ้่มันมันไม่ใช่โลกนั้นว่ะอืเออแต่จําได้ความรู้สึกกันแบบเดินเข้าไปซอยบ้านลกแล้วก็แบบเราต้องใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแบบว่าเทเลยนะเราก็าคิดว่าเทอ่นะเนาะ แบบซึ่งอากาศร้อนเมืองไทยใส่แจ็คเก็ตทำหอยหลอดอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ใส่ไปเงียแต่ตัวหลอด้วยแต่ตัวหลอไปเท่าที่จะหลอได้องเด็กม .3 มันหรอเด็กม .3 ที่ไปใส่แฟชั่นด้วยนะต้องคิดอย่างนี้นะเไม่ได้่ะจริงไปงั้นคุณผู้ฟังฟังไว้นะคนคนที่แบบพิมพ์มาคุยกับเราตลอดสามปีแต่งตัวหลอไปหาที่บ้านเขาอาจจะพบว่า เราจริงไปก็ได้ริเพ ร, ะ ร, ราะนั้นน้องแบบอย่ า, อ ย, าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเลยอืแต่ว่าไม่แตบันทีกลับนะพอหลังจากนั้นพอเราเฟดไปแบบจะหมายเนื้อหาเปลี่ยนคือเราเลิกเขียนไปเขียนไม่น้อยมากจากเคยเขียนอยู่ทุกสามเดือนอนี้สองเดือนเนี้ก็แบบเออตีกลับเปลี่ยนยังไงคะคือตอนหลังเนื้อหาเขาก็เป็นแบบจริงจังเออขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงจังกับเราอะไรเงี้ยเนื้อหาเปลี่ยน เอาให้พ่อให้พ่อจดหมายเรื่องมันบอกเราอะไรเงี้ยแจิก่แล้วทำไงเฟตแล้วเฟตเลยจีบคนอื่นแล้วตอนนั้นเลี้วเลีวยังไงพี่บอกแล้วเนี่ยน้องน้องฟังรู้จีคนอื่นแล้วใช่อย่างนี้มีพี่บอยอะไรนตอนนั้นสืบหาบ้านยังไงไม่มีครับฮะไม่เคยอะไม่เคยเลยคือความสัมพันธ์มีแค่รเมีอย่างเงี้ยหรอใช่ของผมมีแค่สาวน้อยผมหางมาที่ รถเมย์ที่จะต้องสห้าสิบห้าได้ร้อนแต่เราไม่เคยแบบนั่งรถตามไปถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้จักชื่อเขาปะเขาชื่ออะไรไม่รู้เลยรู้ก็รู้แค่ว่าลงป้ายนี้ขึ้นป้ายนี้เงี้ยอ๋อเดี๋ยวฟักบอกพักทำไมทำอย่างนี้วอตพักตัดตัดวอตพักครับตัดนะเดี๋ยวพักฟังเพลงวอตพักเฉรนจะจดหมายฉบับนี้แล้วกัน น้องเขาขอมาแล้วนะค่ะเดี๋ยวเปิดเลยโฟลีแคปแต่มุกดาเนี่ยบอยจะชอบเฮ้ยมือนาฬิกากับรายทางทุ่งสั่งให้มันทํางานเหมือนกันนาทีที่มันเริ่มนับท้อยหลังจะเกิดอะไรมาเธอได้มาส่งก่อนที่กันลังจะสุดทอนทางก่อนหมดเวลาที่ฉันฝั จะต้องทำยิงใหแต่เพราะว่ามีเหตุก่อนจะผ่านพ้นอยากพูดความในใจ <c oughs> ความจริงคือฉันอยากบอกลเธอละกันแต่ทำให้ลงของฉันสวยงามละกันอยากหยุดเวลาที่ได้ด้วยกันละกันอยากอกว่ารู้สึกดีดีดดละกันแตเธอได้มาสอน เธอได้มาสงม่งเธอได้มาส่งเมือม่อเมืม่เธอได้มาสง่งเธอบอกแล้ว สิ่งที s i a c อยากบอ เรื่องราวขึรนมาแทนที่กลัวจ i ทำคะแน t ช i อตฉันอ้อ i วอนเช่นนี้ยิ่งทราขอฉันว่าหลีลคลายละลายละลายเขาวอกบอกบอกทั้งท้ายแต่ใกล้เท่าไรให้ฉันก็ไม่กลัวรักเขาแค่มีเธอใกล้ๆลบางที่เราลองหยุดซับลบฟังความจริงในใจ จดหมายเด็กแมว นี่คือความรู้สึกของ3ผู้โชคดีที่ได้โกเจแปนไปกับเราเรจรยงด้ยเฮ้ยผม แ, แรงประมาณ EDM ครัพูดอะไรไปมั้งังไม่ร้ดีใจค่ะุ้ น, นอยู่กินไปอิ่มมันตื่เต้นยั้ไเนี่ยเที่ยวจีบลิตสตูดิโอโท o r โรฟเอเรสฟอนด้าคอ l เลกชันฮอลล์สโนวี่มิวเซปั่จักรยานชมทุ่งดอกไม้ที่ฮิตาชิสีสายป่าชมวิวโตเกียวที่โตเกวทาววชอป้ที่ชิบูยได้กันยมัชออนซ็นทเลดูดนตรีสดสุดมันที่ชิโมกิตาสาวและครั้งหนึ่งในชีวิตกับการ ยอย่างซัมเมอร์โซนิ2017ออกเดินทาง17สิงหาคมนี้เริ่มเริ่องฮอนด้าพ e ีเซน c a t คทโท o จีโ a โกสองสนับสนุนโดยรถจักรยายนยนต์ Honda ให้ All New Honda s c ส o p y I ไใหม่ร่วมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย a i r a เชีย จดหมายเด็กแมวมาจดหมายฉบับต่อไปครับเชิญคุณพุ่งนรินเลยครับได้ครับอันนี้เอาแบบว่าอ่านจริงๆรู้อันยื้อๆครับเอาจริงๆนะฮะเอาจริงนะครับยื้อยะพอแล้วนะฮะเข้าเรื่องนะฮะเขาจะหมดชั่วโมงสอบแล้วเดี๋ยวชั่วโมงสามค่อยยื้อใหม่เป็นจดหมายที่หูยาวกันแลเนี่ยพิมพ์มาออืแทบจะไม่มีสองหน้าหรือสาหน้าสองใช้กระดาษใช้กระดาษคลุ้มๆนะฮะืจดหมายคุ้มนะฮะจดหมายฉบับที่หก สวัสดีคะ่ะพี่ๆจะมอดปอมป้าปุ้ยสีเปียจ้าอ๋อปุ้ยเขาไปเห็นอปอปลาเลยอาจมันจมอดปอเนาะมาอีกแล้วจดหมายฉบับที่หกล้าจดหมายฉบับ น, นี้มีเรื่องราวประทับใจที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเหตุจากเหตุเกิดจากการไปงานแฟนมิทติ้งดาราเกาหลีท่านหนึ่งที่เราชื่นชอบมีโอกาสมีอากาศมีโอโอโหความหมายเปลี่ยนนะนโอกาสอากาศ<ม> คือไม่รู้หรือมัชื่อศิลปินว่ามีอาร์กัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไงผมไม่แน่ใจมีโอกาสแล้วเนาะมีโอกาสที่เขาได้มาจัดงานที่ไทยก็ไม่รอช้าที่จะไปไปอีกแล้วปีนี้จัดหนักกับการเป็นติ่งมากมายดาราชั้นนี้ท่านนี้ชื่อว่าพาร์คแฮจิงพาร์คแฮชิงเป็นนักแห่ามาก ฮะแหจริงจริเแจริงๆริไม่ใช่ห่เออตลกว่ะเป็นนักแสดงเกาหลีใต้โอ้ยโด่งดังดังโด่งดังอย่างงี้ตลกดีเนะทำไมด่าผิดอย่างงี้นะอันนี้ก็ได้แบบนี่เขียนะอย่างเงี้ยหาโด่งดังสองหน้านี่พี่ต้องเหนื่อยมากเลยขาโด่งดังมาพี่คิดว่าโด่งดังก็ตลกว่ะถ้าจะแบบชั่วโมงหนึ่งเรา อ๋อไม่ต้องยื้ใช่ไหมไม่ต้องยื้ใช่ไหมฝังลื่นหนึ่งครับมันก็ดูเร็วดีนะมันก็แบบดูแบบให้เวลาคุ้มค่าดีเราชื้อไปพวดพอแล้วพี่โด่งดังจากหลายเรื่องมากเอาที่ชัดๆคือเป็นพักรองเนี่ยเรื่อง you can came from the star ฮูบ้าอันนี้ไงยูฮูเกมฮอมินจอ๋อพี่ฮอมินจุนไอ่เขาบอกว่าเป็นพักรอง เป็นที่พระเอกเป็นมนุษย์ต่างดาวอะค่ะมีพระรองพี่พี่เขจะคุ้นไหมคะคพี่ไม่คุ้นเลยพี่พาร์คเป็นพระรองนะส่วนอีกเรื่องที่หนูชอบมากๆคือ Cheese in the Trap Cheese i n t u r e the Trap เรื่องนี้พี่พาร์คเป็นพระเอกเรื่องนี้โดนใจเพราะเพราะเนาะเพราะเนาะไม่ใช่พระหรอกนะอืม เดีวเราขอเป็นพระก่อนโดนใจพระพระบรรทัดก็เหนอยเราต้องานพระเลโดนใจไม่ได้ครับนใจหมก็ไม่แน่เลยนี้ไม่ได้ศักดิ์ศีใช่ไหมฮะศักดิ์ศรีนั่งนี้ศักดิ์ศรอพระโดนใจพระเนื้อหาไม่ได้ผู้ใหญ่เกินเราจะอินพระเนื้อหาไม่ได้ผู้ใหญ่เกินเพราะเพราะเพราะเนื้อหาไม่ได้ผู้ใหญ่เกินเราจะอินเป็นความรักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องน่ารักใสๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก เรื่องนี้พี่พักจะหล่อไปอีกดูแล้วโรแมนติกหน่อยๆจริงๆเรื่องนี้เนื้อหาไม่ได้หวือหวาหรือแปลกอะไรเลยค่ะเนื้อเรื่องก็เรียบง่ายมากแต่พี่พักแสดงสเสน่ห์ทางสายตาพี่พักดึงดูดมาก อ, มอยากจะเป็นนางเอกเสียจริงๆน่ารักดีค่ะแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่พี่พักแสดงป้าปุ้ยก็พยายามจะติดตามงานที่พี่พัคเล่นนะคะแต่ด้วยเวลาเราไม่สามารถดูทุกเรื่องได้ทันจริงๆแต่เราขอเป็นแฟนคลับพี่เขาล้วกัน คนนี้แบบชอบสุดๆประทับใจพี่ปาร์คเป็นคนดีมากนอกจากงานแสดงแล้วยังเป็นคนที่ชอบทํางานเพื่อสังคมอีกด้วยเวลามีข่าวพี่ปาร์คแต่ละที่เรามักจะเจอข่าวในข่าวพูดปาร์คแฮจินบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในข่าวคำพูดปาร์คแฮจินนำแฟนคลับช่วยขนถ่านเพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีถ่านไว้ก่อไฟด้านหนาวขนถ่านขนถ่านนะฮะเหมือนในนี่ไหมขโมยถ่านหินเรื่องอะไรนี่เราดูกันนะ อ๋อไรออนไรออนซารูก <Happiness gegen violin> oh, uh ุดดูอ๋อผมไม่ได้ดูขโมยนั่นม like, ันขโมยอ๋อเหรฮะทีเขาขนตอนแรกผมนี่ยิงขนทหารขนท่านขนถ่านแต่นั่นขโมยขโมยไปซื้อนมให้หนาวงให้น้องกินน่ะอเออขาหาแลกนมอันนี้นนนนไม่ละนมนมน <c oughs> คืออันนี้ที่เกาหลี <c oughs> บ้านเรือนของเขาลงเสิร์ชดูนะนมนมนมบ้านเรือนของเขาภูมิประเทศเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่บ้านเลยตั้งอยู่บนเขาเวลาจะกลับบ้านต้องเดินขึ้นเหมือนขึ้นเขาก็ตลอดเวลาอ <c oughs> ตอนปุ้ยไปก็อย่างนั้นจริงๆขนาดเมืองหลวงยังเป็นภูเขาชนบทไม่ต้องพูดถึงเขาสูงเดินกันเมื่อต่ำแน่ๆในฤดูหนาวทุกปีก็เลยมีการรณรงค์ให้ช่วยกันขนถ่านก้อนใหญ่ๆให้ไปตามชนบทต่างๆเพื่อก่อไฟลดความหนาวกัน โอ้โหแบบบนยอดเขามีสูงิ่งหนาวมีสูงยิ่งหนาวแต่ถ้ามีฐานก็จะไม่หนอืวพี่พักพี่พักพี่พักก็เลยชอบเชิญชวนแฟนคลับไปเป็นอาสาสมัครนี้เคยมีครั้งหนึ่งออกมาว่าพี่พักแฮจินเชิญแอนตี้แฟนคลับมาเป็นอาสาสมัครขนถ่านนี้รู้จักแอนตี้แฟนคลับไหมฮะเป็นรู้จักครับคือไม่ชอบฮะเราแอนตี้พี่พักนี่มันก็ตั้งกันเปชมลมเหมือนนี่ไงฮะถ้ายกตัวอย่างให้ใกล้หน่อยก็คือ อ่อเพจที่ตั้งเพื่อจะรณรงค์ได้น้องแพนตี้กลับไปงั้นนะครับโอ้โหที่ไปกดไลค์ป่ะคะเป็นอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องครไม่ไม่มีไม่มีพอมีอย่างนี้ได้เหรอแอนตี้แฟนคลับนะเป็นอาสาสมัคุณฟ้าก็เลยชวนแอนตี้แฟนคลับไปด้วยเพื่อสร้างความจันธจที่ดีต่อแฟนคลับกลุ่มนี้ก็เจ๋งดีนะคือแอนตี้แฟนคลับคือกลุ่มคนที่ไม่ชอบเขาอืคือไม่ใช่ไม่รู้จักพี่ปาร์คคือรู้จักแต่ คือคนที่ไม่ชอบอะไรตัวพี่ปา ค, คุณไม่ชอบคนหล่ออะไรเงี้ยนะจะมีมันมัน อ, อ, อางเงี้ยเหรอมัน อ, อิจฉาอย่าเงีไม่ชอบเขาบอกว่าไม่ชอบไม่ได้บอกว่าไม่ฉาไม่ชอบพี่ปาเลยเชิญมาเลยแล้วขอให้ทํางานสารสบั ก, กด้วยกันพี่ปา ค, คงต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้แย่งที่แอนตี้แฟนขับคิดนะอืออันนี้แบบประทับใจไปอีกจริ ง, รงๆก็ไม่ต้องสนใจแอนตี้แฟนก็ได้คนชอบพี่เขาก็ต้องเยอะแยะแต่พี่ปาคต้องการพิสูจน์ตัวเองไง สุดท้ายพแอนตี้แฟนก็คงได้ความรู้สึกดีๆกลับไปนะไอ้เฟกอะไรเงี้ยนะมันจะแอนตี้อ่ะหลวงโลกอืทําดีบางหน้ายิ่ง่ากูจังเลยอ่อย่าแอนตี้พี่เขาอีกนะแม้อยากจะใกล้คิดพี่เขาจังฮ่าฮ่าฮ่นั่นแหละค่ะนี่คือเรื่องราวที่ป้าปุ้ยประทับใจจนเอาพี่ป้าแฮนจิงคนนี้ทศไว้ในใจเสมอพอมาครั้งนี้พี่เขาจัดแฟนมีตที่ไทยล่ะต้องมาให้ได้ นี่เป็นการจัดแฟนมิชครั้งที่สองแล้วของพี่ปาร์คครั้งแรกปุ้ยไม่ได้ไปเสียใจมากครั้งนี้ต้องมาให้ได้อยากเจอมากและโชคดีไปอีกแฟนมีชครั้งนี้มีสิ่งจูงใจงในการซื้อบัตรคือการได้ไฮทัชกับพี่ปาร์คทุกที่นั่งทุกราคาบัตรไฮทัช น, นะฮะไฮทัชนี่คือสูงเหรอใช่ไหยตบชูมาใช่ไหมฮ <Yo. S 1> นะมันือไฮไฟล์ต์ป่ะฮะและ้วไฮทัชคืออะไรฮนะไฮทัชคืออะไรพี่เขาสูงแนละ้วเราแบบเอามือไป เตาค้างเนี่ยอะไรฮเหมือเหมือนแพ็กแท็ใครคนนี้ฮะหัวใจน้อยอ๋อรู้จักรู้จักพี่ปาร์คแม่คอดูหน่อยปาร์คแฮจินอ๋อผมก็ว่าใครก็ทำนิดนิดต้นฟิงเอ่อต้นฮอตบาคนสงสัยกัหนึ่ว่าคนเกาหลีชื่อปาร์คเยอะนี่เหมือนชื่อสมงี้ป่ะเรียว่าปาร์คคล้ายๆมั้งปาร์คนี่มันเป็นแบบ ชื่อสตาแมนอะไรเงี้ยฮะสมชัยเงี้ยสมชายอะไรเงี้ยนะสมศักดิ์มีป้ากับคิมสองคนก็พอแล้วประเทศนั้นล่อไปครึ่งประเทศอืไฮทัชไม่ทราบนะใครบอกใครรู้ด้วยก็บอกมาหน่อยว่าไฮทัชทํำยังไงจะได้รู้นะฮะอาจจะเดินไปตีมือกันนี่มันได้ไฮทัชทุกที่นั่งทุกราคาบัตรเลยนะอืหนูจะได้สัมผัสมือกับพี่ป้าด้วยนะผมได้สัมผัสจะได้ทัชใช่ไหมอ่าจะได้ทัช แค่คิดก็ฟินแล้วอะชายในฝันที่เฝ้ารอเฮ้ย พ, พร่ำเพ้อรอวันที่ด้เจอพี่ปาร์คและวันงานก็มาถึงเข้าปปไปในทันเด e r d โดมรอรอรอแต่พีคค่ะคเกิดสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูประทับใจไปอีกอย่างเป็นสิ่งที่บ้านเราพิเศษกว่าที่อื่นค่ะ ขนถานพี่ พ, พีนึกออกไหมคะนึกออกไหมคะพี่ยังครับจะไม่ออกยังไม่ใช่ขนถ่านครับพี่ยังจะไม่คะก่อนที่เราจะได้ไปดูหนังในในโรงหนังก่อนที่เราจะได้ชมคอนเสิร์ตในอิมแพคหรือที่ต่างๆเราต้องทำอะไรก่อนซื้อกาแฟทํำไรฮะทํำไรฮะเราจะต้องยืนร้องเพลงสเสริญว่าเรมีค่ามันเป็นสิ่งพิเศษที่เราทําไม่มีประเทศไหนหรือที่ไหนทํากันนะคะจริงค่ะแปดพวกเราทุกคนที่มาที่งานยืนตรงและลําลึกถึงพระองค์ท่าน สตารเกาหลีสตารทไทยยืนกันอย่างพร้อมเพียงหนูลองคิดในมุมของสตารเกาหลีหนูคิดว่าเขาคงรู้สึกแปลกๆ ก, กับสิ่งที่เราทำแต่เขาหน้าที่จะรู้ว่าเราทำเพราะอะไรเพราะเราคือคนไทยไงคะออืคนไทยที่อยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของพระพักตร์กษัตริย์ที่เรารักเคารพที่สุดกว่าเราจะมีวันนี้ไปกว่าที่ประเทศเราจะรุ่งเรือนขนาดนี้เนาะทุกๆคนยืนตรงกันอย่างพร้อมเพียงเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นเสียงร้องเพลงงทุกคนก็ เปล่งขึ้นมาสัมผัสได้ถึงความขลังอีกแล้วรู้สึกระลึกถึงท่านในใจจบเพลงทุกคนโค้งคำนับนั่นนงลงจิตใจมันทั้งปริ่มทั้งหวนหวนลํำลึกถึงนะคะเป็นเพลงที่เมื่อร้องมาพร้อมกันแล้วเพราะมากจริงๆอเอาล่ะแฟนงานแฟนมิดที่พี่ปาร์กเริ่มขึ้นหนูอยู่ด้านหลังบสนสแตนเห็นพี่ปาร์กนิดเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงเห็นไม่มากก็ดูจอข้างๆเวทีไปก็ได้ค่ะ แค่ได้มางานหนูก็ฟินหลักร้องให้ทัชในงานก็จะมีการเลือกผู้โชคดีได้ขึ้นไปร่วมกิจกรรมแบบพี่ปาร์คบนเวทีหนูพยายามอย่างมากแล้วค่ะที่จะเพ่งกสินอย่างที่พี่บอยบอกในฉบับที่แล้วว่าขอกระสินยังไงนะบอยก็เหมือนพี่หาแผ่นอ่ะเหมือนกับพี่ไปเพ่งเรื่องกระใสครับคล้ายกันครับเป็นนวดอ๋อ้วครับกระใสไม่รีเพ่งอ๋อครับถ้าได้ขึ้นไปบนเวทีนอกจากได้เห็นพี่ปาร์คใกล้ๆชัดๆ อาจจะได้กอดพี่ปาร์คด้วยอขาได้บอกให้ทัดโอ้ยถ้าได้ขึ้นเวทีถ้าได้ขึ้นเวทีเป็นรักีแฟนไงรักีแฟนโอถึงกอดไม่มีแบบจูนจีฮุนอะไรอย่างงี้มาบ้างเหรอมีจูนจีฮุนผิดจูนจูนจีฮุนชอนจีฮยอนจีจีฮอนชอนจีฮยอนจูนจีฮุนผิดชอนจีฮยอนชอนด้วยอ่าชอนจีฮยอนแต่เรียกว่าจูนจีฮุนเลยรอบจูนก็รีบกันนะจูนจีฮุนอ๋อเมื่อกี้คุณจ่องไม่ได้มาตอนชั่วโมงแรกเขาบอกว่า เขาทักขึ้นมาว่าไม่มีใครแนะนำเขากับคุณแม่คุณแม่จนนเมื่อวันที่เราไปถวายบังคมพระพไม่มีเหมือนกันโอ้ยใครฝ่ายเดียวกันอะไรกลายกลายเป็นฝ่ายโน้นเฉยไม่มีเหมือนกันอะไรวะแต่ผมใช้วิธีเดินไปคุณแม่สวัสดีครับไม่ได้รู้จักว่ไม่ได้รู้จักทะกว่าที่เเจอแล้วนี่ ไม่ได้ไปเนจอไม่เจอผมเอ้าถามบูมผมต้องถามบูมไอ้บูมมันคนนั้นแม่จูนเหรอวะนี่ผมไม่เห็นเลยผมทือเข้ามากับเพื่อนอะไรอย่างงี้เพื่อนเพื่อนเขาหน้าแบบหน้าต่างมาหน่อยเปล่าวะพี่สาวอะไรอย่างีเอ้ยหน้าต่างมาหน่อยเปล่าบูมเอ้าออีกเรื่องหนึ่งอันนี้ตัดนะฮะนี้ตัดนะฮะลองตัดไปเลยไปเลยไม่ต้องตัดนะเรกบยแล้วไปเลยไปเลยอาจจะไหมบาจะไหมตอกบเกินไป อาจจะได้กะกอดกับพี่ปาร์คด้วยโอ้ยแต่แต้มบุญหนูไม่ถึงจริงๆสงสัยใช้เบรกการงานหมดละก็เลยไม่ได้เป็นลักกี้แฟนเลย<อ>แต่ไม่เป็นไรค่ะอิดักกี้แฟนก็ได้กอดพี่ปาคจริงๆด้วยอิดดอิแฟนมิตก็มีเกือบสามชั่วโมงได้พี่ปาร์คทานอาหารไทย พี่ปาร์คได้เล่าถึงการทำงานพี่พาร์คได้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อแฟนๆชาตวรรดิเนโอถึงโนแฟนคลับที่พี่พาร์คได้ทำวิดีโอถึงพี่ปาร์คเลยแล้วก็ได้ทำโปรเจกต์ให้พี่พาร์คประทับใจฟินกันไปทั้งแฟนคลับทั้งตัวพี่พาร์คและแล้วก็ถึงเวลาที่เราคอยมาถึงคะ่ะไปไฮทัสพี่พาร์คครัทุกคนบนสแตนเดินลงมาต่อแถวเพื่อจะได้เข้าไปไฮทัสพี่พาร์คจเต้นตุบๆมือมัดนี่เย็นไปหมดตื่นเต้น พยายามทํามือให้อุ่นที่สุดเขาจะได้ไม่รู้ถูถูไทยไทยทำความอุ่นถูอย่างนี้เออเขาจะได้ไม่เจอมือเย็นเย็นไงนี่รักแม่นี่รักกันไม่อยากให้เขาต้องเจอมือเย็นเย็นเออพี่พักยืนอยู่หน้าประตูทางออกโน่นอยู่ในมุมที่แสงไม่ค่อยถึงเลยมองไม่ค่อยเห็นปุยก็ยืนยืนรอรอมองมองพี่พักไปพลางพมองคนอื่นที่ได้ไฮทัชกับพี่พักไปพลางใกล้ล่ะใกล้ถึงเราแล้วพี่พักช่วยคลายชื่อด้วย น, นี่อ่านเองไม่มีน ะ, ป, ะปุ้ยออ ป, ปุ้ ย, ย, ยสองเมตรหนึ่งเมตรใกล้ถึงเราแล้วแหละแล้วในสุดก็ถึงแล้วพี่ป้าขาป้าปุ๋ยมาแล้วพี่ป้ามองหน้าจับมือเราแล้วเราก็จับมือพี่ปืมแขนพี่ป้คขาวมาอมไม่น่าเชื่อคือมองจากในรูปทําไมในทีวีผิวพี่ป้าออกสีแทนแทนนิดนิด ผิวแบบแมนแมนหน่อยม่อินเลยอินเกวะตนะตันะแต่พอตัวจริงหน้าแดงละไหลว่าจองเิมานมนนมาฟ้าขาวหน้าแดงอะไรเนี่ยต้นดูบูมดูพงดูหัวหน้าอย่าเยอดิฮะอย่าเยอะแต่พอตัวจริงแล้วคือพี่ขาวโอโมมากหนูกินหลอดฟิล์อเซนเข้าไปหรือเปล่าคะ ขนาดอยู่ในมุมอับแสงแขนก็เล็กเชียร์ละเราเอามือไปจับแบบเช็คแฮงกับพี่ปาร์คแล้วมองหน้าพี่ปาร์คพี่ปาร์คก็มองหน้าเรายิ้มและพูดว่า thank you thank you มันจับได้นานไหมเนี่ยมือเนี่ยสงสัยก็ได้ขยับเดี๋ยวมเฉาเลยครับยิ้มหวานหนูส่งยิ้มให้พี่ปาร์คพี่ปาร์คก็ยิ้มกลับมามือเราสัมผัสกันเป็นเวลาสอวินาทีเดี๋ยวกนะัน เดี่ยวนะ1 2 2่งสองสวิเองเหรอ1 2เฮ้ยเวลาตอนนั้นมันวายไปจริงๆนะครับพี่คือสไตล์เกาหลีก็แบบววัครับวัยวๆครับไวๆเลยครับรีบจับครับรีบจับครับคุณน่าจับๆับจับครับครับคคือไม่ถึงสองวิด้วยนะครับพี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะบิวมากเลยเป็นสองวิที่ได้สัมผัสมือพี่ฟ้าก็พอ อย่าหาว่าเสียเงินเป็นพันพันเป็นหมื่นเพื่อนได้สัมผัสมือ2วินาทีเลยอครใครก็คงรู้สึกแปลกแปลแต่เขาจริงแต่มันไม่ได้แค่จับมือนะเ ว, ว้ยนี่คือหัวร้อเหมือนแบบเขากําลั ง, ง น, <S <S นี่ไงห้าหนี่ยฮะมันไม่ได้แบบ <S <S ค่จับมือนะเว้ยเขาไม่ได้หัวร้อแบบฮ้าห้เหมือนอ่านนะเขาเราม้องมาเขินจริงไงไม่เราต้องใส่ใจคนเขียนมาเหมือนกัน พี่ทำผิดไปแล้วลพี่นอูกอเขาไปแล้วแล้วพี่ก็ น, นึกถึงไอ้ลูกไอ้คนแอบดูไอ้บ อ, อยแลฮะไม่ใช่พี่ลูกปั ก, กมียอย่างอื่นให้ดูเยอะแยะนะสรุปมันคือดีมากค่ะหนูประทับใจสุดๆไปเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนคนนึงที่มีอิทธิพลกับใจเราได้ขนาดนี้โยโยพี่ปักของหนูซาราเฮโยโยโยหลังจากจบงานแฟนมีติ้งของพี่ปัแฮจินเป็นที่เรียบร้อยก็กลับมาสู่กลับมาสู่การต่อสู้กับงานและเงินอีกครั้ง แต่หัวใจของหนูก็ยังไม่ได้หยุดหย่อนทำงานหนักหนูเหมือนเดิมเพราะว่าเอ็กโซของหนูจะกลับแบ็กลาววันที่พี่ๆได้อาจจะมคือตอนนี้เอ็กโซคัมแบ็แล้วนะครับปาร์ชอ yeah นยอนห น, หนูจะได้กลับมาขึ้นบิทีกอีกแล้วปาร์ชินยิ้ม้วป่ะ นี่ไปพูดงี้ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเขาโกรธนะไปเนียงพี่ไปถึงซัเนียงพี่ด้อมหลีนี่น่ากลัวนะพีบอยด้อมหลีดมด้อมด้อมด้อมเอ็กโซชื่ออะไรนะทุกคนไม่มีอะไรแต่ว่าพี่เคยท่องได้หมดจับอ้าวผมผิดเองปาร์ชันยองของหนูได้กลับมาขึ้นเวทีครั้งเสียดายที่มีหนึ่งสมาชิกเป็นคนจีนชิลเล่ครับไม่สามารถขึ้นสเตชได้เนื่องจากงานที่จีนเยอะมากๆ เลยไม่ไดมาร่วมโปรโมตลับัมนี้กับเพื่อนๆเลยแล้วก็ร้องไห้มายังไงเราก็จะสนับสนุนเขาค่ะสนับสนุนทุกคนต่อไปทุกคนค่ะในอะบัมนี้ EXO เ, เลือกเพลงมาโปรโมตคือเพลง c o c o Bob นะคะฝากด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนขอให้พี่ๆเปิดดูด้วยนะคะได้ที่แคทเปิดได้ไั้ยฮะเปิดได้ค่ะเพลงดีเต้นดีโชว์ดีเลิศไปเลยครับ สุดท้ายนี้ฝากทุกๆคนสับสนพี่ปากแข่จินด้วยนะคะครับครับเดี๋ยวจะไ่เชยขนถ่านครับถ่ายวบบคนถ่ายเข้ามานนะครับถ่านเด็กรายนะครับแตอบ้านผมไม่หนาวนะครับบ้านผมร้อนมากตอนเรียนมีบางคนพยายามเรียกผมว่าเจถ่านด้วยฮะโอ้เจย์ผมไม่ได้ต่อยนเขาถ่านผมก็จะคำว่าข้งหน้าฮะเจยะเจ๊ ฐานไม่ค่อยสนครับเออนี่ยผมไม่เคยได้คิดเลยผมคิดเรื่องคําว่าฐานอย่างเดียวว่าเราดําใช่ไหมเจ๊ไงเคยบอกอาการบ้างแต่สมัยเรียนไม่ไม่ไม่ทราบอ่ะพี่บอยเคยขนฐานไหมคะขนเยอะอ่ะขนเยอะหลุมแต่ว่าขนฐานไม่ฐานไนหลุมหลุมอยู่ตรงฐานอ๋อเข้าใจละไม่เคยไม่มีเลยของพี่ ชีวิตที่เป็นสายน้ำไม่ย้อนกลับต้องตดขัดต้องมาดิดขัดทุกทีเป็นพวกทานไฟใหม่ใหม่ตลอดเราไม่มีเก่าอันตรายตรงนี้แหละครับอ่าฝากด้วยนะคะค่ะถ้าอยากรู้ว่าพี่เขาหน้าตาอย่างไงถามมากูดูได้นะคะพี่บอลให้ดูแล้วดูแล้วน่ารักพี่เขาน่ารักมากๆค่ะอยากฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วฝากเป็นกำลังใจให้เอ็กโซด้นะคะกลับมาโป่งโหมดอีกครั้งเพลงเพราะดี ลองเปิดใจฟังดูลองเปิด YouTube ดู MV ค่ะสวยมากจริงๆชีวิตก็ไม่มีอะไรมากค่ะหาความสุขสนุกสนานเวันวันๆขอให้มีความสุขสนุกสนานมันจะอยู่กับเราไปนานๆค่ะปลอมีปลอบ้าง ม, มีข้อสงสัยค่ ะ, คะปุ้ยโหลดแอปแคสต์รีโอไว้และไลฟ์ดูและได้ดูไลฟ์สดของชมอลดมบ้างในวันอังคารหลังจากได้ดูบรรยากาศในห้องส่งก็มีความสงสัยมาตลอดว่า ทำไมพี่ต้องติดแอร์สองตัวไว้บนผนังด้วยอะคะอุ้ยมันเย็นไม่พอเหรอนี่สถาบันนิกไงหรือว่าต้องการให้ลมมันทั่วถึงห้องทําไมไม่ติดเครื่องใหญ่สักขนาดสองตันมาเลยอะคะหูัสงสัยอะค่ะมันจะได้ไม่มันมันไม่เปิงไฟเหรอคะเออจริงแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้า thank you สิทธิ์ดาวป้าปุ้ยสีเปียนี่สงครามทางารบินนิกฮะทําไมอะคะพี่ทำไมฮะจ่องทำไมเราติดแอร์สองตัวไม่ติดตัวเดียวเพราะว่าเพราะสลับกันใช้ใช่มันสลับกันใช้ พอเราต้องเปิดตลอดเวลาเนาะใช่อย่างห้องนี้ก็อันนี้แม่ทำไมห้องลูกทุงนี่มีตัวเดียวครับเมื่อก่อนมีสองตัวมีสองตัวเหมือนกันอแล้วถ้าเป็นแอร์ที่มีกําลังแรงกว่านี้มันก็มักจะเดินเครื่องแรงกว่านี้แล้วเสียงมันเข้าใหม่ครับอเราอยากให้คนเขาฟังเสียงดีเจมากกว่าเสียงแอร์มั้งครับแล้วมันจะมีตัวพุยยุ่งอะไรวะอะนะครับโทษๆอดินเงียบมันจขึ้นอยจะขึ้นคงมีแต่เราไม่ไม่ได้ซื้อมันแล้มันจะแพงไป แต่ธรรมดาเราจะเปิดแอร์ทีละตัวไม่ได้เปิดสตัวไม่ได้เปิดสองตัวใช่มไหมยกเว้นวันที่เราร้อนอืซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะร้อนอืมแล้วก็เสียงก็แอร์ก็ดังอืมก็กลับมาเรื่องเดิมแต่จริงๆถ้าดีเจทั่วดีเจท่วไปเขาจัดคนเดียวเขาก็เปิดเครื่องเดียวพอไงออย่างเรามันตั้งสี่คนหลายคนใช่แล้วแอร์ของเราสองตัวก็เมืกิดเสียตัวหนึ่มแต่มันเป็นแอร์รีไซเคิลไงแต่เวลาถ้ามีสอตัวพอเสียตัวหนึ่งก็อีกตัวก็ยังใช้ได้ตัวสำรองออืืมม รีไซเคิลไงเข้าใจไหมป้าปุ้ยตอบสิเขาแค่เป็นห่วงว่ามันเปืองไฟไม่เปลืองไฟหรอคะเปืืองสิครับไม่เป็นไรเรื่องประหยัดพี่ประหยัดกันเองป้าปุ้ยเก็บตังค์ไปเจอพี่ปาร์คเถอะเอ็กโซด้วยเอ็กโซด้วยเอ็กโซเนี่ยอย่าลืมแฟนด้อมไปเอ็กโซแล้วอย่าลืมไปทัศศิลปินร้อยวงมาเลยเฮ้ยเขาขายบัตรไอ EARLY c o ่าวเนี่ยวันเดียวกับเราเลยฮะใช่ไปโปรโมทให้เ็าทำไมต้องเลือกนะครับจะ e a r l ์ลี่ก็ EARLY CAT นะครับอย่าไป e อ r l y คาวนะครับจะแต่เออราวและเอ CAT พร้อมกันก็ได้ใช่ไหมต้องเลือกครับไอเจ้าปีนที่มางานนู้นงานนี้ก็มีแล้วไม่ต้องไปไกลผมว่าเรารีบเปิดเอ็กซ์โ้ยงเลยต้องปารเทือนหลายฝ่ายฮะไม่จะมาวัวงวัวอะไรวะตันตันตฟังเอ็กซโวอะไรเนี่ยเขาอะไรนะ เพลงอะไรนะเมื่อกี well> ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาไม่ได้เไปเลยไปเลยเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงนาครับแต่ว่าพอเราเล่นไปถึงกเลี้ยงไปแมวแมวนี่ไม่มีนมนะไปไปไม่มีนมบัวไม่นมนมบันมนนมข้าวว่าอะไร Me, Coco, variance, I think I like it. t e n s is down down. Don't be embarrassed. Boring old m n d สิ่งที่มันทำให้ฉันรู้สึกว่า ของฉันในหลวงของครับผมบาสนัทวุฒิพูลเพียนะครับ mm hmm. ก็ถ้าให้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะฮะ mm hmm. ความรู้สึก ข, ของผมคือหลังจากเหตุการณ์ผ่านมานะขณะนี้ฮะ mm hmm. ก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่สําหรับผมมีหลายๆครั้งที่ mm hmm. พอผมเริ่มเกิดคําถามกับอะไร mm hmm. หลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวในยุคปัจจุบันน่ยผมกลับไปนึกถึงท่านแล้วทําให้ผม จดจำได้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งดีๆสิ่งดีงามที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะเป็นและควรจะเป็นต่อคนอื่นด้วยนะฮะมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วก็ภาพจำที่สุดสำหรับผมวิชวลที่ผมจะเห็นชัดมากสุดเวลานึกถึงท่านคือผมนึกถึงต้นไม้ใหญ่หญหญกลางสวนนะฮะที่ไม่ว่าแดดจะแรงขนาดไหนเราสามารถเข้าไปหลบต้ต้นไม้นั้นได้อย่างมีความสุขครับ Radio. นคนเล็กๆกับโชว์ใหญ่โตในความรู้สึกของพวกเขามาแล้วลุกขึ้นมาสวัสดีทุกๆคนพวกเราสลานแมชชีนสวัสดีครับ <Digital. S 1> ดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเล่นแคทนะครับพอเสียคนแลหรือแฟนเก่าไม่ได้เลยนะคนเราโพลิแคทจะค่ายสมรองเพลคนเล็กๆที่บางคนบอกว่าทำเพลงไม่ตลาดก็มีตลาดของเขาที่นี่แคทเอ็กซ์โคนเล็กเพลงโต เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลกปัดรเออร์ลคด800บาท้ทย31สิงหาคมถึง3กันยายนหลังจากนั้น 1,500 บาทที่ไทย i ิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา 25-26 พฤศจิกายนนี้สวนสนุก w o n เด r World ์ นี่คือความรู้สึกของ3ผู้โชคดีที่ได้โกเจแปนไปกับเราจริงด้วยที่ผมเป้นแรงประมาณ EDM ครับพูดอะไรไปมั้งยัไม่รู้ดีใจค่ะลุ้นอยู่บินไปอีกที่วันสุดท้ายนี้เที่ยวที่ยวิ h i b l i Studio t o ร o r o f ร r e s t อน n d a Collection Hall ส n น o p y m u s e u ีปั่นจักรยานชมทุ่งดอกไม้ที่ฮิตาชิสีสายป่าชมวิวโตเกียวที่โตวทาวเวชอปิที่ชิบูยาได้กันยมแช่ออนเซ็นริมทะเลดูดนตรีสดสุดมันที่ชิโมกิตาสาวและครั้งหนึ่ ยิ่งใหญ่อย่างซัมเมอร์โซนิ2017ออกเดินทาง17สิงหาคมนี้เริ่มเริ Honda ด r e s e n t ซ a ต์แคทโทรจีโอสองสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda ให้ All New Honda Scoopy ไอทใหม่รวมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย a i r a เช a x แอ็กตว่าพลเป็นพ่วมกับหนังที่ชอบพูดคำว่าจบจบจบจบเท้าเติอ ม, มาทาเป็นหนัง หนังเกาหลี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 ให้คิวคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำจบสามสปีไฮคิวพร e เซนตเอาเธอมาทําเป็นหนังเทศกาลประกวดหนังสั้นที่คุณเลือกตอนจบได้สนับสนุนโดย30ปีให้คิวคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำไฮคิวชวนมาทําหนังสั้นประกวดครับในโครงการ30ปีไฮคิวพร e เซนตเอาเธอมาทําเป็นหนังครับเทศกาลประกวดหนังสั้นที่คุณเลือกตอนจบได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาทนะครับตอนนี้เริ่มมีหนังส่งมาบ้างนะคะแต่เรายังอยากได้อีกมากเพราะเรารู้ว่าคุณชอบทํากันนะครับมันหมดเขตเร็วๆนี้มากแล้วนะครับวันที่27สิงหาคมนี้หมดเขตแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลงมือถ่ายลงมือตัดกันได้แล้วนะฮะงานนี้สนุกมากผมว่าโครงการที่มีการประกวดนังสั้นแบบโปรเจกต์แบบนี้หายากมากที่จะมีโจทย์สนุกแบบนี้นะครับกติการง่ายมากครับไปอ่านกันเอาเองนะฮะ thisiscat.com นะครับไปดาวน์โหลดใบสมัครกันได้เลยนะฮะเงินรางวัลก็ไม่มากมายอะไรแต่ก็ไม่น้อยหน้านะครับที่1ได้5 0,000 ื่นที่2ได้3 0,000 ื่นที่3ได้2 0,000 นะฮะแล้วมีป๊อปปูล่าโบนดอีกด้วยนะครับผมว่าโจทย์แบบนี้อย่าพลาดนะเด็กๆและเยาวชนทั้งหลายครับงานอื่นไม่สนุกเท่านี้แน่ๆนะครับดาวน์โหลดใบสมัครกันได้ที่ thisiscat.com นะครับสนใจก็โทรมาถามได้ครับที่025309611นะครับหรือ0952468311ครับหรือจะไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับ h i Q ช็อตเฟรมหมดเขตวันที่27สิงหาคมนี้นะครับรีทากันหน่อยนะฮะหนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้าย10เรื่องจะได้ฉายจริงในโรงภาพยนตร์นะครับที่สยามพาราลัยรอยัลแกรนด์เธีย e ตชั้น6สยามพารากอนนะครับในวันที่19กันยายนนี้เป็นวันประกาศผลนะฮะอยากให้ร่วมสนุกกันมากๆแล้วเวลามันเหลือน้อยมากนะครับมีอะไรก็รีบเร่งเล่าเพื่อนนิดนึงนะฮะงานส่งน้อยเราเสียหน้านะครับอย่าทําเราเสียหน้านะครับเห็นใจเราด้วยนะครับงานนี้เราชาวแคสเป็นคนคิดแล้วทําให้ลูกค้านะฮะแต่มันคืองานเราเหมือนกัน อย่าทำให้เราเสียหน้านะครับน้องๆขอบคุณแฮคิวไหมนะครับสนับสนุนโดยสานสืแฮคิวคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำครับขอบคุณครับจดหมายเด็กแมว ต้องเล่นแบบนี้เล่นกันได้อ่จริงวะแล้วเราจะร้องใช่ไหมได้ให้ให้นนตีมาก่อนอุ้นี่เรื่งจริงเลยเนี่ยนั่ดนตรีฮะมีติงกุ้งกิ้งเงี้ยมันใช่เลยเนี่ยแต่ไม่ได้ตั้งสายอืมเข้าใจฉันเข้า รางขอให้ฟังกันก่อนเรื่องเราหาจะคิดไปจะอยู่ไปยหย ห, หมออยู่แล้วสองก็คงปวดใจสองใจคิดไปคนละอย่าง รักจทนกันได้สองคนไม่เคยเข้าใจคนให้อภั ย, ยไม่มีอยู่อย่างนี้แล้วดีอย่างไรไ ม, ม, มันดีอย่างไรคงเป็นเพียงแค่รักกัน แล้วรักนั้นมันเป็นสุขไหมคงเป็นเพียงเราเพอไปไม่ตั้งใจเจอกันให้มันยังยืนฟื้นไปต้องใจปล่าได้หากใจเหงาของเรายังเป็นเพื่อนเสียไปใช่จะรากัน ผูกใจกันดังเหมือนเพื่อนจะรักดังเดินได้ไหมนะเธอไม่มหด้ ดีเก็รงกับรายการแมวสดนะจดไหมเด็กแมวสดนะฮะเราเล่นเพื่ออันนี้เราขอดิชั่นพี่เจเขาว่าจะได้ร่วมไหมได้ร่วมไหมไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้ไปแมวสดบ้างหรือเปล่า่นไมะหัวหน้าวงเนี่ยหัวหน้าวงไม่ชวนหรอไม่อยู่ประจำไหมครับนี่เป็นเจ้าของมันชวนได้ด้วยทีนี้ต้องขออนุญาตพี่เจแล้วคจะเข้าแมวสดเนี่ยโอ้พี่ก๊อฟได้ตั้งแล้วว่าเป็นเจนหัวหน้าวงแมวสด อืมเาเป็นแกนหลักเป็นแกนแกนนแกนหลักนะฮะเพราะว่าไม่มีจังหวะมันเล่นดนตรีไม่ได้เนี่เป็นผู้คูคุมจังหวะแล้วมันจะเค็ทําไมวะมาจอแล้วมันจะเไหมเนี่ยมันไม่มีกล้องห้องนี้มมีกล้องมันจะจริงจังอะไรเนี่ยฮะใอะชั่วโมงที่สามแม่ภัยไม่มีเาะเนาะนะพี่เกียงเนี่ยใช่พี่เกียงมาเองอืม พี่เกียวคืออะไรพี่เกียวานี้เขาแต่งงานอานีแต่งแล้วมีลูกสาวไงลูสาวน่ารักมากใช่ติ๊ติ๊ตีอืิติ๊จดหมิ๊มิ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊าิ๊ติ๊ติ๊ติ๊งิ๊ติ๊ติ๊ตติอติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ่ต เราสองมีใจิตใจเป็นเพื่อนกันเธอหวังดีห่วงใยอาจเป็นไปเสียจนผูกพันดังมีสัมพันยอมยอมผิดเองอย่าบอกบอกกับเธอ แต่เธอเธอมาบอกฉันในใจของเธอฉันเองเะเจ็บเหมือนกันแต่ละอิง เ, เพียงแค่ใจไม่รักยอมเสียความผูกพันยอม จ, จริงแต่ทไไมหัวใจ่เคยให้มือนเข้าจจม <laughs> จบแบบเข้าใจเลยฮะโอโหพอมา พ, พี่เราร้องเพลงที่จองเพลงพี่บอยเพลงเดี๋ยวพี่คมชันเตรียมไว้ปายชั่วโมงเพลงอะไรฮะพี่ต้องร้องหนึ่งเพลงให้พี่คิดพี่ยังมีเวลาขต้องหาคอร์ดเลยำคอร์ดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดเิร์ชเน็ตให้ี่ค่อยเขียนบอกจดหมายฉบับแรกตาผมใช่ไหมฮะใช่่ะสวัสดีครับพี่น้องจดหมายเด็กแมวทุกทุกคนฮะวันนี้ผมมีเรื่องใหม่ๆมาเล่าอีกแล้วครับ แม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญของชีวิตผมเอาไว้เลยเพราะผมพึ่งผ่านการผ่าตัดใหญ่มาเมื่อไม่นานนี้อืเมื่อสองเดือนก่อนผมมีอาการปวดท้องหลายวันติดกันจึงได้ไปหาหมอและให้ยากลับมากินอาการก็หายไปหลังจากนั้นก็มีปวดท้องเรื่อยๆเป็นระยะแต่ปวดแบบทนได้ปวดแค่แบบให้รู้สึกรําคาญเป็นแบบนี้ทุกๆวัน จนผมไปหาหมออีก3ามสี่ครั้งก็ยังไม่ทราบอาการเนื่องจากจุดที่ผมปวดนั้นเป็นท้องน้อยส่วนล่างท้องน้อยส่วนล่าง Abdominal lower Abdominal หมอจึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดในส่วนลำไส้ใหญ่ส่วนล่างอโอ้ยช่วงปลายเดือนมิยอที่ผ่านมาผมเริ่มถ่ายเป็นเลือดโดยเลือดปนอยู่ในของเสียที่ผมถ่ายออกมาสีค่อนข้างคล้ำ จึงได้ไปพบหมออีกครั้งทันทีพร้อมถ่ายรูปไปให้หมอดูคราวนี้หมอสงสัยว่าจะเป็นริซซี่หรือเปล่าแต่ผลกลับไม่ใช่หมอแนะนําให้ผมส่องกล้องเข้าไปตวรวจลําไส้ใหญ่ผมจึงให้หมอนัดวันทําการส่องกล้องทันทีตัดมาที่ขั้นตอนก่อนส่องกล้องเราต้องเตรียมตัวเองไปก่อนก่อนไปตรวจร่วงหน้าสองวันงดอาหารยกเว้นเครื่องดื่มกินยาถ่ายล้างลําไส้ให้หมดเพื่อเวลาส่องกล้องเข้าไปแล้วจะได้เห็นผนังลํางลำไส้ได้อย่างชัดเจน ผมได้รับยามาสองโดสเป็นยาน้ำโดยโดสแรกดื่มก่อนวันสองกล้องสองวันยาหนึ่งขวดผสมน้ำหกร้อยมิลลิลิตรผมบอกไม่ถูกว่ายานี้รสชาติเป็นยังไงแต่ว่ารสชาติมันแย่มากเปรี้ยวๆเค็มๆแค่นึกก็จะอ้วกแล้วอ่ะแหวะเปรี้ยวเค็มๆก็เหมือนส้มต่ำเนาะก็อนะเหลือนดื่มส้มตำคิดอย่างนี้หลังดื่มยาก็พลั่งพลูเลยครับ ก็เหมือนสมตำอะนะปลุตปราจนถ่ายออกมามีแต่น้ําอำวันสองกล้องผมไปแต่เช้าเพื่อเตรียมให้น้ําเกลือทดแทนส่วนที่ร่างกายขาดไปแล้วมาถึงเวลาผมก็ถูกเข็นเข้าไปยังห้องผ่าตัดด้านในมีพยาบาลผู้ช่วยอยู่ประมาณ 4-5 ่ถึงห้าคนโดยบอกว่าจะมีการฉีดยานอนหลับยาแก้ปวดและยาขยายลําไส้อหลังจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาสําคัญผมในท่านอนตะแคงไม่สามารถขัดขืนได้เลยแม้แต่น้อยถูกหมอช้อนชัยเข้าไปในลําไส้ Oh God. <laughs> ผมเริ่มปวดเริ่มเจ็บในท้องน้อยเพราะสายกล้องได้เข้าไปอยู่ในลําไส้เรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาไม่ได้ร้องโอ้ยครับผมได้แต่ร้องซีดอยู่เบาๆ <laughs> <laughs> <laughs> อันดูความสุขฮะจอมง่ <laughs> าเด้เอ <laughs> ปลายเท้า oh, กระดิก oh, <Jeff. S 1> ปลายเท้ากระดิก ตามจังหวะความเจ็บปวดมือจิกเบามือ <c oughs> จิกเตียว่ <c oughs> อกอด อ, อ, อกอยู่นแน่ๆเลยครับอ้าวเ า, า, า, างานยสลบใช่ไหมฮ ะ, ะตอนนั้นมันยังไม่สลบอด่ดดฮมไม่รู้เหมือนกันเออทไม<บ>ไม่หลับเนาะหมอผมยังไม่หลับ <c oughs> มออย่ากหออย่าเเอผมกลัวเรื่องนี้มากเลยนะแบบว่าฉีดยาชาแล้วเราไม่ไ<ห>มชาแล้วหมอผ่าอะไรเงี้ยเราทาได้ป่ะพี่พี่รู้ไงแต่ว่ตอกลัวทุกครั้งไงจะมีความแบบ ไม่ชาไม่ดันไม่ชา ท, ทุกที่ยกเว้นปากเลยพูดไม่ได้ไม mm ่ได้บอกไม่ได้โอ้ยโอ้โหสียนโลกโอ้โหจบมีสองอย่างคือปากกับมือปากกับมือโอ้ยเยอเยอะนี่แเจือโอ้ยโอ้ยกวงจริงอืม ในระยะสายตานะถ้าจริงๆเรามามารักษาวันนะผมมาผิดทำไมโอ้ยผิดห้องผิดห้องผิดห้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมอเขาเรียกว่าเรากลัวไม่ต้องกลัวไม่ยอมไม่กลัวกลักลัวในระยะสายตาผมนั้นสามารถมองเห็นมุมจอของกล้องได้ออืก็คือเห็นในข้างในเราอ่ะนะแล้วผมก็เหลือบไปเห็นนาฬิกาบนหน้าจอค่อยๆเดินทีละวินาที เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานจริงๆเวลาผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีหมอก็ถอดกล้องออกอบอกว่ากล้องเข้าไปได้แค่ประมาณย5บห้าเซนติเมตรเท่านั้นยี่บาเซนหมอจะฟุดดิ่งอยู่แล้วเจอช่วงที่ลำไส้ตีบกล้องไม่สามารถผ่านเข้าไปได้<อ>จึ ง, จงได้ตัดเนื้อลำไส้ส่วนนั้นมา<ไ>เพื่อจะส่งไปตรวจหรือว่าทำาไบพาสผ่าไม่ได้เลยเจาะให้แล้วเขเรียบร้อยหมอผ่าเปิดให้แล้ว ก่อนวันนัดฟังผลหนึ่งวันผมได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าผมตรวจชิ้นเนื้อผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วให้เข้าไปพบคุณหมอวันนี้ได้เลยโอยแล้วเมื่อไปถึงหมอได้บอกว่าออ้ยไถ่ไหมฮแล้วเมื่อไปถึงหมอได้บอกว่าผลตรวจชิ้นเนื้อของผมนั้นคือมะเร็งไม่ก่อนจะต้องรีบทําการรักษาโดยการตัดลำไส้ส่วนนั้นออกไปต่อส่วนที่ปกติเข้าไปเหมือนเดิมผมบอกพร้อมครับ เอาตรงๆผมก็ทำใจไว้สักพักแล้วว่าต้องทำการผ่าตัดแน่ๆ แ, แต่สายชิลอย่างผมก็ไม่ได้กังวลอะไรใจนิ่งเนาะผมแอดมิดพันทีในวันนั้นช่วงบ่ายผมเข้า CT ทีสแกนและผลเป็นที่น่าพอใจคือเชื้อไม่ได้ลุกลามไปที่ตับและต่อมน้ำเหลืองโอ้ช่วงดีช่วงดงีและเจอเนื้อร้ายแค่จุดเดียวและใช้เวลาช่วงที่เหลือในวันนั้นกับการเตรียมเคลียร์ลาไส้เพื่อการผ่าตัดในวันถัดไป ในวันผ่าตัดมีเพื่อนสามสี่คนมาให้กําลังใจในช่วงเช้าพร้อมพ่อแม่ของผมบ่ายโมงครึ่งผมถูกเข็นไปยังห้องผ่าตัดและผมก็หลับไปอันนี้ต้องหลับแล้วละ่ะอืมต้องเปิดช่องท้องอืต้องแหวออกมา <laughs> ผมตื่นขึ้นมาที่ห้องพักของตัวเองพร้อมอาการมึนงงเพราะฤิยาสลบเหลือไปมองนาฬิกาเป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มจมูกผมถูกเสียบด้วยสายดูดเสมยมะที่ต่อไปถึงกระเพาะ อ, อาหาร ผมนอนหายใจอย่างแผ่วเบาและหลับไปอีกครั้งคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาเป็นระยะแต่ไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะอาการเจ็บแผลและสติผมยังคงกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอมาพบพร้อมกับอธิบายขั้นตอนพักฟื้นต่างๆเช่นให้หายใจแรงๆเพื่อกระตุ้นปอดให้ทำงานปกติขยับร่างกายซ้ายขวาหรือนั่งเพื่อให้ลำไส้ขยับถ้าไม่ขยับเลยวงเล็บถ้าไม่ขยับเลยจะเกิด พังผืดเกาะกันทําให้ลําไส้ทํางานไม่เต็มที่วันนั้นผมก็พยายามทําตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดท่ามกลางความปวดแผลและงดอาหารเป็นวันที่สวันถัดมาหมอเริ่มให้ผมเดินบ้างผมทําตามที่หมอสั่งเพราะอยากให้ฟื้นตัวไววันนั้นผมเดินพร้อมสายน้ําเกลือและสายที่ต่อออกมาทางจมูกไปสองรอบทั้งๆ ท, ที่ยังมีอาการเจ็บแผลอยู่วันต่อมาหมอก็บอกข่าวดีว่าจะถอดสายดูดเสมหะออกให้คืนนั้นก่อนนอน ผมนี่โคตรทรมาเลยครับกับไอ้สายนี่และคืนนั้นหลังจากถอดสายผมก็นอนหลับได้สนิทมากขึ้นก่อนหน้านั้นตื่นทุกครึ่งชั่วโมงมันช่างโหดร้ายจริงๆแล้วช่วงสายวันถัดมาอาหารและน้ามือแรกในรอบ6วันถูกเสิร์ฟเป็นข้าวต้มพร้อมกับข้าวสามอย่างเป็นมื้อที่อร่อยมากครับผมกินไปเกือบหมดจนอิ่มอาการผมดีขึ้นตามลำดับวันถัดมาหมอก็ให้ผมกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อ ผ่านมาเกือบเดือนตอนนี้ผมเริ่มเดินได้เกือบปกติแล้วอาการเจ็บแผลแทบจะไม่มีแล้วผลการตรวจชิ้นเนื้อก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนอกจากเชื้อที่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองภายในลำไส้สามต่อมอจากทั้งหมด11ดต่อมวง เ, เล็บหมอตัดออกไปแล้วเคก็ตัดไปหมดเลยและล่าสุดผมได้พบกับหมอเฉพาะทางด้านเคมีบาบัดหรือที่เรียกว่าคมีโดยย้ายมาใช้บริการโรงพยาบาลที่ผมทาประกันสังคมอยู่ตอนนี้ เบื้องต้นผมต้องทำคีโมทุก2สัปดาห์ประมาณ12ครั้งก็ประมาณครึ่งปีระหว่างนี้ผมไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเนื่องจากยาจะทำลายเม็ดเลือดขาวและแดงไปด้วยทำให้ร่างกายผมอ่อนแอกว่าคนปกติมากแน่นอนหลังจากนี้ผมคงไม่มีโอกาสดูหนังในโรงอดไปดูบอลที่สนามรวมถึงงานสำคัญอย่าง c ค t Expo ซ4นับเป็นครั้งแรกที่ผมพลาดงานนี้ตั้งแต่แฟ Fa 3ที่สวนสยามโห้ย จะทำยังไงกับทำไงให้ให้คนไม่พลาดแบบนี้ครับให้เขารักษาตัวเถอบ่อย้นเราจะยโยกยายไปหาเขาแต่ไม่เป็นไรเพราะผมรู้ว่าจะมีงานนี้ให้ผมได้ไปทุกๆปีหลังจากนี้จ้ะต่อจากนี้พฤติกรรมการกินอยู่ของผมคงต้องเปลี่ยนไปตลอดการโดยหมอแนะนำให้งดอาหารพวกตว์เนื้อแดงที่เลี้ยงลูกด้นมเช่นวัวหมูแกะ เนื้อสัตว์ปรุงแต่งต่างๆเช่นไส่กรอกแฮมเบคอนแหนมและอาหารปิ้งย่างเป็นต้นอาจจะกินได้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนลองหันมาสังเกตพฤติกรรมการกินอยู่ของตัวเองกันด้วยนะครับเพราะไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆมันจะมาหาเราวันไหนย่องมายิงอ๋อนี่เคยย่องเหรอฮะเราไม่รู้เลยนอะอู้ย่องเราเจอเาเร็วนี้เองอ่ะ อ๋อคือเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองที่ไปตรวจเจอถึงเห็นมีคนในอีเธอร์เขียนว่าออืให้กําลังใจคุณย่องเออไม่รู้เรื่องเลยอย่องโอ้ยนะสู้ๆนะเดี๋ยวเราแต่ว่าต้องเป็นวิติกรรมจริงๆอืมคือเพื่อนผมหลายคนก็อย่างเงี้ยพอแบบพอลหายแล้วมันต้องมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะไม่งั้นมันจะได้เหมือนเดิมอคือในสิ่งแวดล้อมเดิมมันจะได้เหมือนเดิมันจะกลับมาคือต้องงดพวกสัตว์เนื้อแดงใช่ไหม แล้วเขาเป็นเชฟด้วยอ่ะแล้วเนื้อสัตว์ปรุงแต่งอืมเราจะไม่เคยรู้ย่องไปมาเนี่แฟร์เฟคั้ที่สามเลยหรอบุมบุมรู้จักมาแล้วเพราะว่าย่องเนี้ยเป็นสอฟ์ตั้งแต่แรกเอาไว้เคยเจอหน้าอยู่บ่อยๆเลยทั้งมางานต่างๆโอ้โหไม่รู้จริงๆใช่ขอให้ไห้ไวๆนะย่องนะต่อสู้ต่อสู้เราจะเอาเทปบันทึกคัดเอ็กโปมาให้ย่องอือเวทีเลยที่เราอัดมาเพอดีเป็น เป็นแค่ได้โปรไม่รู้จะไปยกงานไปให้ได้ยังไงเนาะมันใหญ่ไปมันเยอะไปไม่ให้มันใหญ่ไปมันยกไปได้อย่างมากสุดก็น่าจะแค่จริงชาสวรรค์หรือต้องเห็นวิธีมันยกยากหรือต้องก็ฝากเพื่อนซื้อซื้อดีก็ได้ฮะคุณเขาแห่งหมีเนาะไปขายของไปขายของเขาอีกเอางี้เดี๋ยวเอางี้เคเราต้องมีตะการ์ตะการ์เสร็จแล้วแล้วจัดโชว์ให้อันหนึ่ง เป็นส่วนตัวโไปขีโม้ให้ครบคอสก่อนจ2สองครั้งนั่นคือโชว์ล้างรถเราลองโชวจะยากไหมโชว์ล้างรถโดยคุณลาได้ไฮมซ้อมมา2ปีติดแล้วก็ปิดด้ยม่นี่คอนเสิร์ตของบอยไตรนี่จะให้จริงจให้จริงจดให้นะ เอาไปคีโมเนี่ยร้อยก่อนหายไม่ไวนะหายไม่ไวนะไปกำลังใจเดี๋ยวจะหัดเล่นกีตาร์เพลงนึงแต่กําลังใจดีอ่ะมาเลงในอยู่ที่กําลังใจฮะมันเป็นการต่อสู้อืมนะออืคงได้กําลังใจเยอะจากเพืนเพื่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตอนที่อ่านถึงเอ็ดตองที่ต่อสายยางอ่ะเอ๊ะเขาเรียกอะไรอ่ะต่อท่อเข้าไปในจมูกท่อดูดเส้นผ่าเขาหมอเขาคงแบบไม่กลัวไอกลัวอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเดี๋ยวแผลเปิดถึงเนี้ย ไม่รู้เหมือนกันได้ต้องคาไว้เขาเขฟีดนะเขาไม่ได้กินมากอ๋อใช่ใช่าฟีดฮะเหมือนมันต้องลงไปดูถึงนี่ถึงนู่นเลยฮะตรงกระเพาะเลยนะฮะอืออืออือทรมานแย่แย่ทรมานมากแค่เรากลางติดคอก็แย่จะหลุดออกฮะนี่มันมันคาอยู่อย่างเงี้ยคาตลอดเวลาเอาใจช่วยนะย่องนะแล้วแล้วเดี๋ยวคีโมเสร็จแล้วจัดชอให้หนึ่งโชออืมอืมเป็นส่วนตัว แล้วคุณขายบัตรคนมาร่วมดูได้ไม่เกินสิบคนอนี่อยากให้พี่ปูมเปิดเพลงให้กำลังใจย่องหนึ่งเพลงได้ค<ะ>่ะชื่อเพลงอะไรฮะเดี๋ยวคิด โตใหญ่โตในความรู้สึกของพวกเขามาแล้วลุกขึ้นบ้างไปสวัสดีทุกทกคนพวกเราสไลด์แมชชีนสวัสดีครับถูกพีใจมากนครับที่ได้กับมาเล่นแคทนะฮะขอเสียคนจะงลือแฟนเก่าไม่ได้เนะเพราะเราผลิแคทจะค่ายสมอลร้คนเล็กๆที่บางคนบอกว่าทําเพลงไม่ตลาดก็มีตลาดของเขาที่นี่ c a t เอ็กซ์โปซคนเล็กเพลงโตเทศการดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทยใหญโตที่สุดในโลกบัตรเออร์ลี่แ800บาทท้าย31 ส, ส, ส, สิงหาคมถึง3กันยายนหลังจากนั้น 1,500 บาทที่ Thai Ticket m a เจอร์ทุกสาขา 25-26 พฤศจิกายนนี้สวนสนุก Wonder World นี่คือความรู้สึกของ3ผู้โชคดีที่ได้โกเจแปนไปกับเราดีใจดีใจผมเต้นแรงประมาณ EDM ครั <c oughs> พูดอะไรไปมัม่งดี ใ, ใจคะ่ะลุ้นอยู่กินไปอีกมันตื่นเต้นยังไง เที่ยวที่บลิสตูดิโอโทโตโรฟอรฟลเรสซ์ปั l ดาคอลเลกช l นฮอลล์สโนวี m มิวเซียมปั่นจักยานชมทุ่งดอกไม้ที่ฮิตาชิสีสายปา่าชมวิวโตเกียวที่โตเกียวทาวเวอร์ชอปปิ้งที่ชิบูย่าได้กันยอะมะแช่ออนเซนริมทะเลดูดนตรีสดสุดมันที่ชิมโมกิตาสาวะและครั้งหนึ่งในชีวิตกับการดูเทศกาลดนตรีสดุดยิ่งใหญ่อย่างซัมเมอร์โซน2017ออกเดินทาง17 ส, สิงหาคมนี้เริ่มเริ่มปันดาพร e เซนต์แคทรัจย์โอโงะซอง สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda ให้ All New Honda Scoopy ไใหม่รวมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย Air Asia X สวัสดีครับผมเล็กฮิวโก้ผมจะเล่ารายละเอียดงาน s i n ค Corporation Present h u ์คิวกภาษาแม่คอนเสิร์ตนะครับคุณอาจจะแปลกใจกับว่าทำไมชื่อภาษาแม่เพราะว่าแม่ผมเป็นคนไทยพ่อผมเป็นฝรั่งคอนเสิร์ตนี้จะเล่นเพลงไทยล้วนๆ น, นะครับจัดขึ้นวันที่15กันยาีนี้นะครับ ที่ไบเทคบางนาพหนึ่งบัตรราคาหน0 0งพันหนึ่งบาทซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเด็ดเมเจอร์นะครับมาให้ได้นะครับสนับสนุนโดยซิงค์คอปเปอร์เรช่จดหมายเด็กแมวช่วงสุดท้ายของจดหมายเด็กแมววันนี้แล้วครับป่าพี่บ่อยฮะไม่สั้นงี้ฮะฮะ จะจ ม, มาฉบับสุดท้ายป่ะฮะไม่แน่ดูว่าเราจะอ่านได้ยาวแค่ไหนเพลงสุดท้ายขอระหว่างนี้ก็นึกเพลงที่จะต้องเล่นอีกหนึ่งเพลงแล้วก็ต้องหาขอดาขอดไม่ได้บอกแค่บอกเพลงมาเดี๋ยวหาให้เนเพลงไวะอ่านมา่ อ, อาูกันไห ม, ม<า>สวัสดีค่ะส ว, ส, สวัสดีครับพี่รายการจดหมายเด็กแมวจดหมายฉบับแรกกัน ไม่เคยเขียนหรือพิมพ์จดหมายมาหาพี่ๆเลยนี่คือครั้งแรกไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นค่ะแค่อยากบอกว่าช่วงนี้ชีวิตการทำงานวุ่นวายแบบสุดๆอยากจะหยุดยังทำไม่ได้เลยอยากร้องไห่มากๆค่ะได้ไ่ไม่มอยากร้องไห่มากๆค่ะอ๋ออย่างนี้มากว่าครับแต่การที่งานเยอะมันก็ดีนะคะมันช่วยแก้ความฟุ้งซ่านในใจหนูได้มากเลยถูกต้อง ก่อนหน้านี้หนูเคยเจ็บปวดจากเรื่องความรักอตอนนี้เราอกตอนที่เราอกหักเนี่ยยามอยู่ต่อหน้าเพื่อนไม่เป็นไรแต่ตอนที่อยู่คนเดียวนี่มันทรมานสุดๆเลยค่ะแต่ถ้าเลือกได้ในตอนนั้นหนูก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่ามากกว่าที่จะออกจากบ้านไปหาเพื่อนนะคะเวลาอกหักอ๋อเวลาอกหักพี่ๆทำอะไรกันคะขอแยกเป็นสองคตอบนะคะถ้าอยู่คนเดียวจะทาอะไรและถ้าอยู่กับเพื่อนจะทาอะไรอ๋อ ดีนะพอมันผ่านไปสักพักจนเราเริ่มยืนด้วยตัวเองได้หนูก็ใช้เวลาตอนที่อยู่คนเดียวในการไตรตรองค่ะพอมีเวลาได้คิดหนูก็เริ่มสงสัยตอนที่เราเข้มแข็งผ่านมาได้นานๆแล้วเราจะมีความคิดที่นึกถึงแฟนเราพวกพว ก, พวกพี่ๆเป็นกันไหมคะหนูเลยอยากรู้ว่าว่าพี่ๆคะตอน<ะ>ที่เราคิดถึงแฟนเก่า ไม่อ่านตุกตะกากจังเลยฮะที่ะี่คะตอนที่เราไม่ได้เขี่ตอนที่เราคิดถึงแฟนเก่าครับเราคิดถึงเพราะเราเหงาเพราะเราไม่มีใครหรือเราคิดถึงเพราะเรายังรักเขาอยู่ค่ะเราคิดถึงเพราะเราชอบความรู้สึกตอนนั้นหรือเรายังมีความรู้สึกกับคนคนนั้นอยู่ค่ะถูกทุกข้อเดี๋ยวีเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย่อ <อ>ถุ<า>งละจ <บ S 2> ้อจริงแล้วก็ไม่มีอะไรรอไม่ได้คิดถึงใครแล้วเชื่อดิอจากมินนะครับบอลรอขออภัยถ้าตกหล่นนะคะนั่งพิมพ์ทิ้งไว้ระหว่างรอดูหนังเดี๋ยวจะไปโทษตัวเองจะโทษได้คนอ่านจ้ า, จามันเป็นที่พี่เองนหะคะที่พี่อ่านตะกักนะคะพี่อ่าน อะไรก็ตูวแบกลงั้งนั้นแหละค่ะอืใจจังหวะน้อยใจคัดสิกจังหวะคัดสิกของเขาพอรลสองชีวิตมันโอเคแต่ซัมเดก็ไม่อยากโสดนะชีวิตมันโอเคแต่ซัมเดก็ไม่อยากโสด h a s t a a s t a พี่บอยตอบเลยค่ะเวลาอกหักฮะถ้าอยู่คนเดียวทำอะไรอยู่กับเพื่อนทำอะไรฮะอยู่กับเพื่อนไม่ยากฮะ อยู่เพ่อมีไม่กีกิจกรรมหรอครับถ้าตอนบักเนี่ยนะฮะคนเดียวก็ชวนคนไปเที่ยวฮะอ๋ออยู่คนเดียวก็อย่าพยายามอยู่คนเดียวอย่าพยายามอยู่คนเดียวให้ชวนคนใหม่คนอื่นอย่างเงี้ยแหละอืมเนี่ยพี่บุมเขาอย่างเงี้ยก็อยู่คนเดียวทําอะไรฟังเพลงนึกถึงตัวเองตอนที่เคยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนทําอะไร ก่อนที่จะมีเขาอะออืมทํากิจกรรมนั้นอะไรแบบนั้นจะได้ไม่ต้องนึกถึงเขาฮะก็ไมะอันนี้หนักเลยกับเป็นธรรมชาติก่อนจะมีเขาว่าคิดถึงเขาอยู่ไงก่อนนั้นอีกก่อนนั้นอีกก่อนที่จะคิดถึงเขาโอเคะมันมันเคยมีช่วงอยู่คนเดียวที่ไม่คิดถึงใครมีต้องเด็กมากเลยนะตีนี่ฮอนบีมันถึงบอกมันฟังบีเทิลไงพราะบีเทิมันจะทําให้มันนึกถึงตอนสมัยมันเป็นนักเรียน มันจะไม่มีไข่อยู่ในเพลงปุ๊กบีเทิลของมันอะไรองี้งอืมอืมนี่มีจู๊ดอะไม่มันมันไม่มีมันนึกถึงสมัยนั่งรถโรงเรียนอะไรเงี้ยงั้นผมก็ต้องการเอรอย่างงี้เหรไม่อะกอกก็มีแล้วนะนี่อันนี้จะคุยจะคุยว่าทาไมจะคุยใช่ไหมฮะตั้งแต่เด็กใช่ไมฮะไม่ใช่มีหมายถึงว่าก็นึกถึงใครแล้วลอสบายไงทงการ้องพี่ต้องอยสบายอคิดขานอะไรเงี้ย ผมต้องเป็นนี่แห ล, ละสุนทรภพออนี่เทปตลกเดาดูดี อ, อย่างนีไม่ต้องเป็นลุงเหน่งป้าหนวแล้วละ่ะแต่ว่าแนะนําำนี้แนะนําว่าอยู่คนเดียวให้เปลี่ยนระยะบทครับอืมคือเหมือนว่าตอนที่รู้ตัวว่ารู้สึกตัวว่ากําลังรู้สึกแบบนี้อยู่อ่ะไม่ต้องไปนั่งหาสาสาเหตุเหมือนที่น้องพยายามหาอยู่ว่ามันเพราะอะไรเพราะเรายังคิดถึงเขายังรักเขาหรืออะไรก็ตามคือแปลว่าดีเทคแค่ อ๋ออารมณ์จิตตกมันพุ่งมาแล้วอืขอให้เปลี่ยนอะไรก็ตามที่ทําอยู่ตอนนั้นอืมเช่นในขณะนั้นนอนอยู่ให้ลุกขึ้นนั่งอืมถ้าตอนนั้นกําลังแบบฟังเพลงอยู่เปิดเพลงทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยเปลี่ยนท่าให้เปลี่ยนท่าย้ายที่เดินไปนั่งตรงอื่นเลี่ยนนเดิบย้ายที่อะไรสําคัญนะเพราะว่าปอดเพลงเปิดทีวีไอ้เรื่องความแบบจิตตกเศร้าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องต้องมีสมาธิครับอืม คือถ้าคุณไม่มีสมาธิกำมันมันจะเป็นความเศร้าความโศกที่ไม่ไม่ได้รสชาติเลยมันจะไม่ดิ่งนานมันจะไม่ดิ่งครับเขาลองบอกว่าลองพิสูจน์ดูครับถ้าอยากถ้าตอนนี้ร้องไห้อยู่ลองตั้งในกาปุกหนูว่าจะร้องไห้ห้านาทีอะไรเงี้ยมมันจะเป็นแบบการร้องไห้ที่คุณภาพต่ำมากเพราะใจมันต้องเลยไปโฟกัสเรื่องเวลาอืเออนะฮะเออก็เปลี่ยนอะไรก็สมมติกำลังแบบฟังเพลงนะแล้วมันเศร้า เปลี่ยนเพลงฟังหรือเปิดทีวีทีีวดูอะไรเงี้ยคือมันจะเริ่มคิดไปเออพอรู้พอรู้ตัวว่าคิดปุ๊บโฟกัสที่อื่นเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนมันมันก็จะผ่านไปถ้าไปหาเหตุผลอี่เป็นเองคิดหาเหตุผลนี่คือคิดเลยตอนที่อารมณ์มันพีคหาเหตุผลมันไม่เคยช่วยมันไม่เคยช่วยครับเหตุผลมันไม่เคยสู้อารมณ์ได้อืก็คืออดีตเวลาอดีตเวลาที่อดีตเรียกเราอืม อย่าไปหันไปตอบมันเว้นแต่ว่าเว้นเว้นแต่ว่าในอีทางหนึ่งก็มองได้ว่าก็ร้องให้มันให้จบจบเสียใจไปให้พอต่อใสุดไป็นหนึ่งค่ะเออก็เสียใจไมให้พอคหมดได้ครับหมดได้ครับไม่ไม่ไม่เท่าเดิมหรอกครับความรู้สึกมันมันต้องหมดวันหนึ่งมันต้องหมดอะไรพี่หน่่ยพี่ม้งเล็กเล็กหน่่ยอย่าไปทำหมดฮะเวลา ยังอ๋อเลยเหรอเลี้งเยอะเพราะนั้นอ่านฮะเยอะเลยครับยังอ่านเป็นจดหมายที่พิมพ์ด้วยตัวหนังสือที่มันเหมือนตัวพิมพ์ดีนะอ๋อรู้เลยว่าใครรู้ฮะอืเขาจะมีคนหนึ่งใช้ฟอนต์นี้แต่ว่าคนเขียนจดหมายแล้วมัอาจจะหมายในการเราก็อาจจะไม่เยอะมากอะไร่ถึงขั้นจําได้เลยว่าใครเป็นใครจะได้หลังจากที่เราคบกันฮะ ขึ้นมาได้สนุ่นาสนใจขนาดขึ้นมาอยนี้เลยครับแต่ว่าเขาคิดว่าพวกเราต้องรู้เรื่องของเขาหลังจากที่เราพบกันเธอก็ยังคงคิดถึงเขาอ้าวนี่ผมอ่านมือมิทีวีจับอยู่แล้กันนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเธอก็ยังคงเปิดรูปเปิดดูลูกเขาพี่เงยหน้านี่คือศพตากับกล้องคุณผู้ชมใช่ไหมครับหลายครั้งที่อยู่ด้วยกัน นั่ไเปตอนเรามีกล้องจังไม่ทำตอนไม่มีทมคืออะไรคืออะไรเธอก็พูดถึงเขาจนในที่สุดผมจอตัสินใจให้เธอเก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าแล้วพาเธอไปหาเขาเรื่องราวต่อไปนี้ขอแบ่งเล่าเป็นตอนๆนะครับพัทวอตะลุยดินแดนวงแหวนภูเขาไฟอพอฟันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากการรวบรวมผู้ร่วมดมการได้หกคน เราก็วางแผนตีตัวเพี้ยเพื่อไปชมความงดงามของภูเขาไฟเรื่องชื่อบนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียนามว่าโบรโมกันโบโมโบรโมสวยมากนะฮะ <Br omo. S 1> เราออกเดินทางที่ผมพูดเองเราออกเดินทางกันตอนข้ามันพลิดเแต่ต้องไปลงที่สิงคโปร์ก่อนเพื่อรอต่อเครื่องไปที่เมืองสุราบา ย, ยาจุดเริ่มต้นของเราดีเลยประมาณส0สาจากสภาพฟ้าฝน เนี่ยเราก็มาถึงสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์ตอนเที่ยงคืนกว่าที่ประเทศสิงคโปร์ <c oughs> เขาใช้เวลาเร็วกว่าไทยหชั่วโมงเฮ้ยผมว่าเร็วเร็วกว่าเราเยอะเลยเรื่องพัฒนาน <c oughs> เราก็ต้องหมุนเข็มเวลาเราต้องหมุนเข็มในการไปข้างหน้าไม่งั้นเดี๋ยวตกเครื่อง <c oughs> และเที่ยวบินออกไปของเราออกตอน8โมงเช้านั่นหมายความว่าคืนนี้นอนสนามบินจร์้าแต่ไม่เป็นไรเพราะที่ชางงีได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก ก็ได้จะดีอยู่ไม่น้อยเอาจากเกตปุ๊บก็หาอะไรกินก่อนเราไปกินกันในฟู้ดโซนที่เปิด24ชั่วโมงนอนในหนำบินนี่ก็เทิร์มเดอร์เทอร์มินอลไงนะใช่ทอมแฮงก์ไม่เคยนะพี่ไม่เคยนอนในหนำบินจองเคยไหมจองเคยอยู่แล้วตกคนงจองคนจ้องจ้องมีไหมเคยตกเป็นเรองนอนในสนามไหมเป็นเรื่องพูดเป็นเรื่องพูดพี่บอยเคยไหม ไม่เคยนะอแต่มีเนี่ยมิว่ามีแถวนี้มีเรามีอาหารหลากหลายร้านเคยแบบว่าใช้ชีิตแบทอมแพงค์ร้าจ่องแบว่าไปแป้งฟันแล้วแต่งตัวในห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่เคยแป้งฟันเคยเคยอาบน้ำที่สนามบินนะเคยเคยข่าไปเช่าเคยหมดแล้วมีอาหาหลากหลายหลายร้านดูดูดีงามดูดีงามยกเว้นราคาผมเลือกกินข้าวมันไก่ธรรมดาหนึ่งจานราคาห้าจุดห้าดอลลาร์สิงคโปร์เป็นเงินไทยก็ราวๆร้อย หกสามหรือหบาทราคาบน้ำบินนะเนาะก็ไม่ได้แพงไปกว่าน้าบินบ้านเราแหละครับใช่ใกล้ๆเราไปเองกว่าอีกใกล้ๆมีเซเว่นก็เดินไปซื้อน้ําเจอตู้แช่ก็ส่องเบียร์ก่อนเจอราคาถึงกร้องแพงสึบจ้างจ้างไทยป๋องยาวประมาณร้อยแปดสิกว่าบาทอยไปดูน้ําเปล่าขวดเจ็บาทบ้านเราถูกสุดในตู้ก็45บาทแพงจิมจิกินน้ํากินน้ําห้องน้ําได้ครับที่น้ําเบียร์เนี่ย แพงมาพอกับอาหารอ๋อพี่บู๋ต้องไปมาแต่อย่างของเล่าเนี่ยเซเว่นในสนามบินเนี่ยราคาเซเว่นเหมือนข้างนอกนะใช่ใช่ไหมเพราะพี่จะเดินหาเขาตามทั่วไปอ่ะตามร้านทั่วไปไปเนี่ยไม่ได้ทั่วไม่ได้สินค้าทุกอย่างปะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอย่างสนามบินที่มีเซเว่นอะพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงยราคาท้องนอกออืแต่อย่างสินคโปรนี่มันคืออย่างนี้ราคาทั่วไปของเขาใช่ไหมเสียช้างร้อแดสิบาทกินอาหารเนี่ยแบบห้าห้าห้าดอลลาร์อะไรเงี้ยข้าวมันไก่อ่ะแต่ว่า พวกน้ําอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ําแร่หรือน้ําสปาร์กิ้งก็ราคาพอกันแต่ผมว่าราคาถูกกว่าไปกินข้าวที่พารากอนนะครับฮะยกเว้นฟูดคอร์ดนะฮะมีตังกินข้าวจานละสี่ร้อยกันได้อืซื้อบัตรบุญนะเขาก็มาซื้อมาใช่ไหมโทษโทษ กินเสร็จก็เดินไปสำรวจกันสัหน่อยได้ฟาร์มที่อยากกินเบียร์ก็มาหยุดที่โซนดีลตี้ฟรีเดินหลงในดงเหล้าเกิดบอกมาไม่ได้เงินในเป๋า่นี่สั่นไปหมดเราเดเราก็มาเจอเบียร์คาสเบิร์กแพ็คสมป๋องรอยี่บาทเยสนี่สิรอยกันแล้วคืนนี้เราจัดมาหนึ่งแพ็คเพื่อฟาร์มผ่อนคลายแอบเสียดายที่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เดินมาเจอเสาต้นหนึ่งแล้วก็ลูดเสาแล้วก็ได้ ลูดเสาไม่มีฮะเ็นเสาปุ่บผมก็ต้องลูดนี่หนึงฮะเรือสาต้นนึงแต่ผมวันนี้ไม่ถึงโปเกมอนนะตอนเสาเอาละครับตัวผมนึกถึงอย่างี้บรรยากาศนึ่งเลโตนแล้วนวเดินมาแล้วเต้นไงโนะโะะ่าโอ้โหเขากล้าหาไปเต้นในหนาบินมีปลั๊กไฟแ้งเาว่าเข้ายึดพื้นที่นั่งล้อมเสาควักเอาหัวแปลงปลั๊กปลักพ่วงออกมาเสียบกันอีลูกตุบตับแล้วก็เปิดเบียร์โซยกันมันเพลินง่วงไรทีก็เอินเอ็นตัวล้มล้อมเสาเฝ้าเขอกันไป ปะบันหนึ่งดังเส้ายิมเลยนะฮะเช้าผมตื่นมาเสียงเร่นเครื่องอันแสบไปทั้งสวงลืมตาขึ้นมาก็เจอป้าจีที่ไหนไม่รู้นั่งเบินเครื่องอ้วกใส่ถุงย่างเมามันห่างไปห้าเมตรเบินเครื่องอ้วกฮะเสียงแหบแสบราวกะสาขาดใจดังไปทั่วบริเวณจนเกินจะนอนต่อได้แก๊งผมจึงลุกขึ้นไปเก็บของแล้วรอที่เกตเพื่อเตร็มบินต่อแล้วเราก็มามันสนามบินสุราบายาที่สุราบายานี่ ใช้เวลาโซนเดียวกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าไหนฟาร์มว่าเราต้องเหมืุดไว้การหลังกลับไปหนึ่งชั่วโมงจากเวลาสิงคโปร์เออตลกดีเออแหวกเนอะทาไมนะจอมสิงคโปร์มันอยู่มันมันใช่นะครับพี่มันอย่างนี้อยู่แล้วไงใช่ไหมพี่อ๋อมันไปตามนี้เอะพี่ตา ม, มตามใช่ด้านขวานด้านขวาใช่ไหมพี่ด้านขวานปุ๊บแล้วมันก็มาอินโดถูกแล้วฮะอแล้วจริงจรทม์โซนมันไม่ตรงนะออืบางทีมันแหวงนะพี่ แล้วแต่เกาะแล้วแต่เกาะอืพี่เข้าใจใช่ไหมมันเป็นเส้นสมมุติเนี่ยมอืมมันไม่ได้มีลากจริงันโลกมันไม่ได้ลากจริงมเพราะบนเข้าใจเพราะว่าน้ำมันลากไม่ได้เแต่น้ำมันลากได้มันมีแล้วเออจริงแผ่นดินถึงมีเนาะเออว่าไปแล้วเราไปาชายแดนมีเส้นป่าเหมือนเลยนะเสาโปเกมอนเออจริงเออจริงรู้ไหมว่ามันมีจริงเออมีจริงเแต่จ่อไม่เห็นมันเท่านั้นเองผมเชื่อผมเชื่อจ่องมีใจนะจ่องจะเห็นมันโปเกมอนคลือเคลื่อนบินอยู่ โปเกมอนคือเพื่อนเจะอไหมน่ะกู <c oughs> แกงผมจึงลุกลุกขึ้นเก็บของแล้วไปรอที่เก็บเพื่อเตรียมบินต่อออถึงมาแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรจได้เออตลกดีไกล้เรามารอแล้ว <c oughs> เก็บของขึ้นรถตู้แล้วออกเดินทาง <c oughs> ถนนสายหลักๆนั้นเป็นสี่เลนหลายช่วงเป็นสองเลนมีรถเยอะมากเราเจะกับรถบรรทุกที่ขับช้าแต่แช่ขวาตลอดเวลา การแทรกเป็นเรื่องปกติจะช่องเล็กช่องใหญ่ใครแทรกได้ก็แทรกไปคันที่โดนแทรกก็แลดูไม่หัวร้อนแต่อย่างใดเสียงแตรประปรายแถมถนนที่นี่ไม่มีไหลทางจักรยานมอไซค์จาเล้งขับกันบนเลนหลักนี่แหละรถที่นี่เยอะมากรถเราแทบไม่เคยขับได้เกิน80กิโมตรต่อชั่วโมงเลยระยะทางร30กิโมใช้เวลาเดินทางเกือบ6ชั่วโมงใครคิดว่าการจราจรไทยแย่ใน่สุดโลกแล้วเราก็อยากให้ลองมาอยู่ที่อินโดสัก3วันเข้ากับสงการเลยร้อกิมตชั่วโมง คุณไปช่วงสงการของอินโดพอดีบ่างจนแล้วจนนัดเราก็มาถึงที่พักคืนแรกของเราเป็นโรงแรมที่วิวดีที่สุดในย่านนี้หน้าโรงแรมเห็นภูเขาไฟโบรโม่เต็มเต็มตาไรสิ่งใดบังเมืองสุราบายานั้นไม่เมืองสลรามเบียร์หาซึ่งยากมากแซกอยู่ในทุกจุดตั้งแต่ฝนอับินแล้วชื่อสุราบายานันมืนบาจะแปลว่าห้ามาเนาะ แบนด์อว่าแบนด์มินิมาร์อย่างอินโดมา켓องค์เล็กๆเซเว่นบ้านเราก็ไม่มีเบียร์ขายสักร้านเราจึงไม่สามารถหาซื้อได้ตลอดทางที่ผ่านมาแต่มาถึงทั้งทีจะให้ยืนชมโปรโมชโดยไม่โดยมือไม่ถือกระป๋องเบียร์ได้ยังไรเราเลยตกลงกันว่าจะเดินไปออกสำรวจ ร, รอบๆเพื่อหาเครื่องดื่มมาเพื่อฟาร์มฉดชื่นในที่สุดเราก็ได้เบียร์ป๋องกลับมายืนจิบ ชมโบรโม่อย่างเต็มตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เกินเขาสามารถขุณรถเหล่านี้ขนาดเขาแบบเมืองอิสลามแล้วก็ยังต้องหาให้เจอนะเออเจ๋งว่ะท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ15บองศาควันออกปากที่สองเราตื่นขึ้นมาเพื่อจะนั่งรถจิ๊ไปที่ยังจุดชมวิวเพื่อรอดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นรถจิ๊ฟโฟร์วีลเท่ขนาดกระทัดรัศวิ่งใต่เขากันไป ดีที่สุค่อนข้างดีแต่ก็ไปได้ไม่เร็วเพราะรถเชียทุกคนันมุ่งสู่จุดชมวิวเช่นกันถึงจุดชมวิวเราถึงจุดชมวิวเราก็เฝ้ารอตะวันจะโผล่มาแสงแรงแสงแรกและมั้งแสงแรกของวันสวยงามจับใจสะท้อนริ้วหมอกสายที่คลุมปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยมียอดเขาโผล่ทะลุหมอกขึ้นมาพ่นก้อนควันสีขาวเพื่อทักทายพวกเราสวยงามมากจริงๆ ดวงอทิโผลค้นขอบฟ้าแสงดาวเลือนหายแม่ยามสายก็ยังสวยงามที่หลังก็ขึ้นตอนสายก็ได้ <c oughs> แล้วออกจะจุดชมวิว <c oughs> ไม่ต้องตื่นสี่สองครับเพื่อ <c oughs> เพื่อจะไปยังป่าปล่องภูเขาไฟนั่งรถจี๊ปวิ่งลงเขาต่อไปลงมาสู่เว้งกว้างใหญ่เป็นภูมิปภัฑทที่แปลกตาจากป่าดงเป็นแอ่งทะเลทรายดํานขนาดใหญ่รถจี๊ปพาเราไปยังจุดจอดแวกกินอาหารในร้านเป็นเต็นท์ผ้าใบาสร้างอย่างง่ายๆเรากับค่ายผู้อุพยพ อาจจะเป็นค่ายบุหรีก็ได้นะครับกินอิ่มเราก็เช่าม้าขี่ไปถึงตีนเขาวที่นี่มีม้ามากม้าม้าม้ามามา้ม า, ม า, ม า, มาเต็มไปหมดเป็นร้อยรอยตัวซึ่งมีไว้เพื่อบริการท่องเที่ยวขี่วิ่งไปกลับการฝุ่นตลบอบอวนลงจากหลังม้าก็เป็นบันไดปูนที่มี2เลนขึ้นกับลงเดินขึ้นต่ออีกหน่อยเราก็ถึงปากปล่องภูเขาไฟโบโรโมเพื่อชมลมหายใจของเทพเจ้าที่เรียกว่าลมหายใจของเทพเจ้าก็เพราะว่าชื่อภูเขาไฟโบโรโมนั้น มาจากชื่อพระพรหมบรามาหรือโบรโม่นั่นเองและโบรโม่เป็นภูเขาไฟชื่อพระพรหมบนเกาะอิสลามแปลกนะฮินดูมีความฮินดูแปลกนะแต่ว่าฮินดูต้องเคยมีอิทธิพลที่นี่เนาะก่อนจะอิสลามใช่ แลบูร์โมเองก็ถือเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแถมพ่นควันตลอดเวลาช่างน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งทุกคนออกกันอยู่ริมปากปล่องหน้าพกไขไปด้วยนะฮะ <c oughs> มีรั้วปูนตี่เตี้ยสูงแค่หน้าแข้งกั้นเป็นพอพิธีเราเดินเลาะขอบปากปล่องที่กว้างราวๆเมตเศษออกไปหลีกนี้ผู้คนเพื่อชมภูเขาไฟอย่างเต็มตาเราอยู่ตรงที่ไม่ค่อยมีคนยืนชมก้อนควันพวยพุ่งจะออกมาจากตรงปาก ตรงกลางป่องโบรโมส่งเสียงดังอื้องตลอดเวลา mm hmm. เรากับเสียงคลื่นลมจากใต้พื้นพิภพดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณเสศ็จจะปรากป่องแล้วก็กลับไปที่กลับไปยังที่รถจีปต่อไปอยังจุดชมวิวจุดถ่ายรูปอื่นๆรอบโบโมซึ่งมีซึ่งก็มีทุ่งเตีย้ยมีทะเลทรายสีดำํำโล่งๆเวิง้งว้างเราก็อยู่ต่างดาวตาตุอินอารมณ์คล้ายๆฉากเปิดใน Star Wars 1, mm ์ War ล์กวันแต่แห้งแล้งกว่า ซาบูร้องวันนี้ดาวอ่ยยอมอมถึงขั้นลืมชื่อดาวแล้วฮะมผมขอโทรจ้อลูกัด <c oughs> ผมจะไปทำใหม่ <c oughs> กันบ้านแต่แห้งแรงกว่าจากนั้นก็จะกลับไปอ่าทูอินไม่ใช่ <c oughs> ม, มันไม่ได้อยู่ที่ดาทูอินนี่ไม่อยูอ่โผล่ อไม่ลรผมมีแผ่นที่ดาวอยู่เดี๋ยวผมไปดูได้อะไรในห้อง<ม>แฟ<ผ>นส<ผ>ตาวอลตั้งหลายคนจำไม่ได้เก็บขยะยอมผมมีแผ่นที่ไม่เป็นไร<ม>จากนั้นกลับไปอาบน้ำอาน้ำเก็บของทิ้งแล้วเราจะทงกันต่อเรามุ่งสู่จุดหมายต่อไปที่ที่เรียกว่าคาวาอีเจียนพิภูเขาไฟเหมือนกันญี่ปุ่นคนะาวอีเจียนคาวอีเจียน ที่พักเราอยู่ห่างไปร้อยก้าสิเมแต่ใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงความพลิกมาอยู่ตอนที่3ามทุ่มพ่อครัวกลับบ้านไปแล้วไปถึงตอนสามทุ่มพอ่อปวกลับบ้านไปแล้วนะฮะอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะและจากแผนเราที่จะต้องเช็คเอาต์การตอนติงหนึ่งเพื่อเดินบนเขาไฟหิวก็หิวครัวก็ปิดจึงต้องเอาขนมของกินที่ซื้อติดติดมาทุกอย่างมากองรวมกันแล้วก็กินเราเอาบะหมี่กึ่งๆึงยี่ห้ออินโดทาม รถโกเรงอียามแห่งชาติเพราะวงเล็บไปที่ไหนก็เจอแต่ยี่ห้อนี้รถนี้ไปขอให้ดีสิบเซ่นช่วยลวกแล้วขอข้าวสวยเขามาได้6จานเขาเอามากินกับเส้นมาม่าเนี่แหละพอประทางชีวิตชีพกันไปฮ่าฮ่กินข้าวกับมาม่านะฮะในหนึง่งเราออกเดินทางไปยังตีนเขาฝนตกจระงานงอกแล้วไกายให้เสื้อกันฝนมาแล้ว เ, เดินขึ้นไปขึ้นเขากันไปฝนไม่ได้ตกกระหน่ำแต่ตกเ ม, ม็ดให้ลำคาญ มีละอองตลอดเวลายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวลมแรงมือเย็นจนแทบไม่รู้สึกขว่าจะไม่ขึ้นถึงปากปล่องก็เละสะบักสะบอมพอท้องฟ้าเริ่มสว่างความงามที่ซ่อนอยู่ก็ซ่อนอยู่อย่างนั้นครับ <c oughs> หมอกขาวไปหมดแล้ว <c oughs> จา้า <c oughs> ไม่เห็นเจ้ยอะไรเลยอยากจะร้องไห้ทะเลสาบสีมรกตอยู่ไหนไหนล้วบลูเฟรมรออีกหน่อยเผื่อฟ้าจะเปิด เฝ้ารอจนฝนยังไม่สาสุดท้ายก็ว่างเปล่าช <g oda> นฝนฝนไม่สาสุดท้ายก็ว่างเปล่าโโหกโมงเช้าเราตัดใจกันเดินลงมาทิ้งโทรศัพท์มรกตไว้ทิ้งทิท้งโ ท, งทรศพทัพท์สีมรกตทิ้งทะเลราบสีมรกตลางๆไว้เบื้องหลงังลงมาทางก็เละเป็นโคลนลื่นมากมายเราออกจากอีเจียน เปลี่ยนชุดแล้วเดินทางต่อไปทันทีไปยังปลายสุดของหมดเห็นเลยอย่างเงี้ย ห, หรอเนะอะไม่ได้อยู่ต่ออีกวันนึงเขาอยู่รอแล้วไงอสุดท้ายก็ว่างเปล่าแล้วเดินทางต่อไปทันทียังปลายสุดของเกาะชวาเพื่อที่จะข้ามฝั่งต่อไปอยังเกาะอันเป็นที่มั่นสุดท้ายของศาสนาฮินดูในอินโดนีเซียอ๋อนี่ไงมีฮินดูมาก่อนนามว่าบาหลีอหมดกระดาษบาหลีขอแยกไว้้าคหน้านะครับ แมวเปิดสิงอปอที่อินโดห้องน้ําทุกที่ต้องเสียเงินสองพันรูเปียตหรือประมาณห้าบาทมไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําข้างทางหรือห้องนั้นในตลาดหรือห้องน้ําในปั๊มใหญ่ๆก็สิยเท่ากันหมดและส่วนใหญ่เป็นแบบนั่งยองอปลอลสองค่าใช้จ่ายทั่วไปในอินโดถือว่าค่อนข้างถูกกว่าไทยแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ประมาณ1ิถึงสิบปเปอร์เซหูล้วเจ พอเราสามการเอาเงินไทยไปแลกเป็นดอลลาร์แล้วเอาดอลลาร์ไปแลกเงินอินโดจะได้เลทดีกว่าเอาเงินไทยไปแลกเป็นงินอินโดไทยดอลล่าร์อินโดไทยดอลลาร์อินโดดีกว่าไทยอินโดนะครับจบไปฮะฮาร์ดวหมดบาหลีนี่นเคยไปครั้งเดียวนะฮะใช่พี่พี่พนกคอร์ดไม่ได้เลยอกเพลงหนึงเอออยากเล่นเพลงอะไรอะ่ะพี่บุอยากฟังอะไรอะ่ะเปิด ม, มาเล่นให้ สุดท้ายก็ว่างเปล่าเงนยาดิไม่เคเล่นพี่ใครเล่นเพลงอะไรบ้างโอ้ยอดรักอะไรเงี้ยคารวาลอ้าวได้เลยยิ้มน้องเหงาไหมต้องดูขอดลืมหมดแล้วพวกนี้หาให้มาให้นิวมันทางานสักพักนึงสิยิ้มน้องเหงาเศางอมมครับเฮ้ยเฮ้ยต้องพูดด้วยสิวร้องให้ใครตอนนั้นตอนที่ฟังครั้งแรกเนี่ย นิดนึงดิโง่ขนาดไหนเออได้ฟังครั้งแรกจาได้ว่าไปดูคอนเสิร์ตสมัยนั้นที่จ่องร้องอยู่แหละทุกวัน14ตุลาอะไรเงี้ยนะเขาจะมีคาราวานมีพี่หน้าหมูมีอะไรเงี้ยขอประชุธรรมศาตร์แล้วก็จําได้ว่าแล้วหมูก็เล่นเพลงนี้ฟังแล้วพวกผมเพาะมากแล้วพี่ตอนนั้นพี่ไปกับใครไปคนเดียวพี่ไปพวกนี้พี่ดูคนเดียวแล้วพอออกมาพี่ไปกับใครตอนเั้นเรามาเดินมาเต็มเลยคนเวลาออกมาก็ ไปหมดออกมาแล้วไปไหนต่อออกมาแลกลับบ้านที่ถงสามดูเสพดูเสพยิ้มยิ้มยิ้มเหงาเหงาเศร้าพองามงามมีคนถามว่าฉันคือใครทั้งทั้งโลกนี้ก้าวไกลแสนไกล เธอยังสดใสอยู่ในโลกเก่าเนี่ยคอนเรบีตเก่ายิ้มเงาเงาของคนรามงามคนที่แบกทามโลกไว้ครึ่งหนึ่งโลกวันนี้แม้งามเพียงครึ่งก็ครึ่งของเธอที่สร้างที่ทํำเศร้างาม ถาถึงความทรงจําเรื่องความผัดพราจากคนที่เธอรักใช่ภาษาิ้มเงาเงเศร้าพองามงามคือนิยามของความทุกข์ยากถ้าครึ่งโลกร้ายที่ฉันท้างทาเป็นครึ่งโลกสวย ขอมอบให้เธอจำได้นลเพลงนี้นะหมูเล่าให้ฟังว่ามันเป็นผู้หญิงชาวลัวมั้งเหรอฮะอะไรทักอย่างนะที่เขาเข้าไปในป่าแล้วเจอก็เลยมอบเพลงนี้ให้ทุกให้กับผู้หญิงที่เป็นพวกทํางานเครื่องคมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นหมดแล้วฮะจดหมายเด็กเมียสัปดาห์นี้ มีความแบบบอยมิชชินเลยนะเนี่ยนะอไม่ผมผมเสียงน้อยผมฟังแล้วผมจับได้ถึงความจริงใจในน้ําเสียงผมายุดันรู้สึกถึงเรื่องราวที่เขาพูดเห็นตัวละครนี้มายืนอยู่ตรงหน้าพอแล้วฮะพอ ออกเทปได้แล้วเนี่ยได้นะมันมีมันมีต้องให้เล่นทุกครั้งต้องให้เล่นปิดรายการตอนอยากให้เธอทําเล็บเพี้ยนๆนะอันนี้ทำไมเราดียากเออตอนนี้ให้เป็นประเพณีไหมมันต้องจบด้วยไม่ได้เพราะเขามีแมวสดเราทํำไม่ได้ไม่เกี่ยวมันคนละคนกันางรจะยังไงเรายังไเราไม่ได้ไปรายการนั้นอยู่แล้วเจ้าของรายการขออนุญาต เราก็เล่นหวังว่าเผื่อเขาจะได้ยินอใช่ไหมเปนรายการที่เราเล่นได้อย่างเต็มที่กว่าเราก็แค่ของเรียนแบบอย่า่ซีเรียพวกเรานี่เลื่อนเร็วมากเลื่อนเร็วมากเลยนะโฟกัสเราที่แบบกล้องมันแพนมากใครก็ได้จริงๆขอบคุณพี่จองครับที่มาช่วยพวกเราในวันนี้นะครับผมถมากเลยครับคุณเชินเช้าด้วยครับครับก็หอยพี่บอยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะข้ามีพี่บอยจะเดินทางเหมือนพวกนี้แล้ว กลทูโคลดอร์ลอนดอนก่อขอให้ไม่มีนี่มีล้อเหตุการณ์ระดับใหญอขอให้ปลอดภัยครับนะอย่าไปอยู่ที่คนเยอะครับพวกเราอะลืมได้เพิ่งเพิ่งมีเอเซนเอ็นเพิ่งลงเลยลอนดอนอย่าไปอยู่ที่คนเยอะรถเมย์พุ่งชนอีกแล้วลืมพวกเราลืมได้อย่าลืมของฝากใช่ครับไม่ลืมครับเขาจะทำอย่างนั้นแตกับที่ชุมชนไงอย่าไปอยู่ที่คนเยอะอเราไปเที่ยวครับเข้าใจครับ วิกาเรากาเราก็ไม่อยู่ใช่อาทิตย์หน้าใช่อาจจะคุณอภิชัยมาจัดคนเดียวอืมดีจะตกลงกันยีบสองอภิชัยด้วยอภิชัยเดียวเราอาจจะได้เห็นดีเจรถบัมตลอดสาบชั่วโมงใครจะเป็นเยอะใครจะเปนึกะเพราะว่า energy แกมีพอใช่เมื่อว่านผมก็บอกไปแล้วผมชอบมาก จับข้อสอบผมขอบคุณพี่ต้องนี่เราภูมิใจที่ชอบผมที่รืผมชอบมากเลยผมฟังแบบว่าบางทีเหมือนแกเปิดประตูอะไรเจอแล้วนะผมว่าหรือแกเจออยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เปิดให้ใครเห็นไงเดี๋ยวพวกเราไม่้องทาให้แกเป็นแบบนี้ดูจะมีความสุขอ่ะผมยังจําภาพผมจำสายตาแกได้ตอนแกเป็นเนลื่อนอย่างเงี้ยทำให้แกได้เป็นตัวเองออยากเป็นอย่างนี้ต้องนานแล้วไงจะลบไปได้แบบเทียม เดี๋ยวพี่ขอทำคุมเองขอคุมเครื่องเองคุนึงตอนเขาถ่ายรูปเมื่อก่อนเงเ้าเป็นช่างภาพใช่ไหมเขาก็พุ่งเิดเพลงตือนตลอดเวลาตอนถ่ายรูปกันนะฮะอ้ยไม่เคยเห็นแต่ว่าต้องห้าม่ทำไม่ได้ตอนนั้นเดอนนี้มันไม่ได้แบบขยับเต้นขยับขาก็อุ๊ยไม่ได้เปิดเพลงตือนเลยหม่พี่เล็กถ่ายเม่ผมสังเกตว่าพวกช่างภาพชอบเปิดเพลงที่มันเป็นยากาศเออเพื่อเพื่อลายพฤติกรรมคนหรือเพื่ออะไรก็ตามนี่เพืงานง่ายยงอยกมือขวาหนยครับเอกดายากใช่ไหม ติดตามกันนะสัปดาห์หนะ้าว่าพี่เล็กจะมาในรูปแบบไหนไปงั้นเราลาไปก่อนฮนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวในหลวงของฉัน ในหลวงของบิวเลมอนซุปตั้งแต่เริ่มจำความได้แล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงเหนื่อยแล้วก็ทำงานหลายอย่างมาตลอดซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจแรงใจจุดศูนย์รวมใจของผมเองหรือแมกระทั่งคนไทยทุกคนเหมือนกันเลยครับ แชทเรดิโอเสนอคนเล็กๆ ก, กับโชว์ใหญ่โตในความรู้สึกของพวกเขามาแล้วลุกขึ้นมา<ป>สวัสดีทุกๆคนพวกเราสลัมแมชชีนสวัสดีครับดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเล่นแชทนะครับขอเสียง